ซุลแลลลอร์ห์มะอัลลอฮ์มูฮัมหมัดุลา ص ل ا ة وسلام على رسول الله وعليه وصحبه ومن والاه تدابيده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มาเล่าเบื้องหลังของการอยู่ของท่านนบีมูซาละบ้นูอิสราเอลสักนิดหนึ่งเพราะดูวันนี้เราจะเล่าเรื่อง การออกของท่านนบาีมูซ่าและคำวาโน อ, อิสโอจะอียิปเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในตราหรือในตัวร้หรือในคำพี์เก่าเนี่ยมีเล่าเรื่องนี้เป็นเป็นบทเฉพาะการออกของบน อ, งอิสโรอการอพยพซึ่งคนส่วนมากก็จะไม่เข้าใจว่า แล้บนอรอิสราเอลอยู่ดีดปรากฏตัวที่อียิปต์ได้ไงและอะไรที่ทำให้ฟิราห์นและชาวอียิปต์นี่ได้คุมเหงบนอรอิสราเอลคือต้องเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่นิดนึงว่าพื้นที่ของประเทศอียิปต์และแอฟริกาตอนเหนือ เือทั้งหมดมีความขัดแย้งระหว่างนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเชื้อสายและชาติพันธุ์ที่ไปอศาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าประเทศแ อ, อฟริกาทั้งหมดเลยเนี่ยส่วนมากชาติพันธุ์ที่อศาศัยอยู่นี่เป็นคนผิวดํา แต่ทำไมตอนเหนือของทวีปแอฟริกาเนี่ยไม่ยู่คนผิวดำก็มีนักประวัติศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ากลุ่มชาติพันธ์ทั้งหลายตอนเหนือของแอฟริกาเนี่ยดั้งเดิมนี่มาจากคาบสมุทรอร์ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณโบราณนี่หมายถึงว่าเป็นหมื่นปีนะแล้วเขาอาศัยอยู่มายาวนานจนจนได้เป็นชาติพันธ์ ที่มีรากเง่าในท้องที่ถึงแม้ว่าชาติพันธุ์เหล่านี้ได้มีความสัมพันธ์กับคนแอฟริกาซึ่งมีผิวดำแต่เขาก็รักษาและอนุรักษ์เชื้อชาติของเขาอย่างเคร่งครัดพอสมควรจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ตอนเหนือของแอฟริกาี่จะมีอาณาจักรมากมายที่เกิดขึ้นแล้วทําให้ตอนเหนือของประเทศแอฟริกานั้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นจุดหมายของอาณาจักรที่มาจากทวีปยุโรปซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามของตอนเหนือ ทวีแอฟริกาที่มีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแยกระหว่างสองฝั่งและมีนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มก็บอกว่าที่จริงเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ที่อยู่ในตอนเหนือของเทวีแอฟริกานี่ก็เป็นเชื้อชาติเดียวหรือเป็น เป็นเครือข่ายเดียวของชาติพันธุ์และเชื้อชาติที่อยู่ในแผ่นดินชามซึ่งเป็นแผ่นดินชามในรวมทั้งปาลลสไตน์ทั้งจอแดนซีเรียและก็ส่วนหนึ่งของอิรักด้วยและส่วนหนึ่งของตอนเหนือของคาบสมุทรอาระบนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มได้บอกว่าท่านน บ, บีอิบราฮิมน่นะ จริงแล้วท่านไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นชาวอิรักแท้จริงแล้วท่านนาบีอิบราฮีมเป็นคนที่อยู่ในเมืองชามนั่นแหละซึ่งอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าเขาเป็นคนอิรักเรื่องนี้เราเคยอธิบายไวในตับซีลของสุรัสสุรอะืแต่มาสรุปให้ฟังนะ ว่าท่านนบีบรูฮิมนี่มีสองทัศนะเกี่ยวกับที่ไปที่มาของท่านนบีบรูฮิมทัศนะหนึ่งบอกว่าแกเป็นคนอิรักในยุคอาณาจักรบาบิลอนและกะ้ก็อพยพไปอยู่ที่ชามโดยเฉพาะที่ปาเลสไตน์พราะตอนนี้ก็มีเมืองที่มีการอ้างว่าท่านนบีบรูฮิมฝังที่นั่นคือเมืองอัลขัลิลขัลิลนี่คือทีชายะของท่านนบีบรูฮิมคัลลิลุลรหชมะ อ้เมัสีนมั ส, มสีนคลิลแล้ก็มีอ้างว่ามีกูโบของนบีอิบราฮิมอยู่ที่นั่นแต่ที่จริงไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนทางประวัติศาสตร์แต่เป็นที่สืบทอดกันมาอิบา ม, มีเมียได้บอกว่าในบรรดากูโบสุสานที่มีการแอบอ้างว่าเป็นสุสานของบรรดานบีทั้งหลายในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีสุสานที่แน่นอนที่สุดร้อยเปอร์นอกจาก قبوكم كنبي محمد صلى الله عليه وسلم. على ج م ب ي نبي هو يقوله يقوله. تيمنا كم يقبو؟ في ح ض ر ا ما يقبو خ ر ه ق خم النبي ش ع ي ب شو شو شو؟, شو ع ل ي ن ا ماشي شويب نه؟ ش ع ي ب مانك أندية عن قم قم في ا ع و ن كم؟ กัเพรอูนนี่แหละผมก็พยายามสื God and God and God.> ่อ้วไอชูอิบมีมาจากไหนมันก็ชูอิบนี่แหนบีชูนบีชูอิบนะถ้าบราณน่ยหมายถึงเื่อคนเก่าแก่บางเรียกชูอิบชูอิชูอิแต่มันกลายเป็นชูอิบที่อิรักหรืออิหร่านนี่มีกุโบที่แอบอ้างว่าเป็นกูโบของนบีดาเนียลซึ่งเป็นนบีของบรรดอิสราเอล เยอ ะ, ะยะมากมาอีทศนะหนึงบอกว่าท่านนาบีบรหิมเคยอยู่ที่อิรักซึ่งเป็นถิ่นฐานของอาณาจักรบาบิลนะแล้วก็อยู่ไม่ได้เพราะต้องถูกขับไล่ก็ <c oughs> ไปอยู่ที่ปาเลสไตน์ทศนาที่สองนี่บอกว่าไม่ท่านนาบีบรหิมนี่ก็อยู่ที่นั่นแหละและยันเจาะจงบอกว่า ท่านนบีอิบรฮมสนานว่าท่านนบีอิบราฮมอยู่ตอนเหนือของคาบสมุรอะไรทำไมเพาเขาบอกว่าตะกี้ผมพูดผิดกูโบที่ฮัทรมานนบีฮุดไม่ใช่นบีไม่ใช่นบีช่วยนบีฮุดแต่ที่บอกว่าชวยเนี่ยาจะมาถึงเรื่องว่าท่านในบีอิบรฮมทนอว่านบีอิบราฮมอยู่ตอน ตอนเหนือของคาบสมุทรอรนดามพ่ออะไรเพราเขาบอกว่าหลานของท่านนาบีอิบราฮิมนี่ก็คือนบีชอยฟ์นี่นะไปเทศนาไปดาวะที่เมืองมะเดยียนเมืองมะเดยียนอยู่ที่ตอนเหนือของซาอุดีเนี่ยคาบสมุท ร, รแต่ที่แน่นอนนะว่าท่านนาบีอิบราฮิมบ้านปลายชีวิตเนี่ยไปอยู่ที่เมืองชามีแหละอยู่ที่เมืองชาบ และท่านนาบีอิบราฮีมแต่งงานกับผู้หญิงสองคนคนหนึ่งหรือคนแรกชื่อซาร์ใช้ชีวิตยาวนานจนเป็นชราอายุเ ก, กือบแปดสิบไม่มีลูก <c oughs> และตอนที่ท่านนาบีอิบราฮีมต้องลี้ภัยจากกษัตริย์ที่โตเถียงกับเขาอะนะที่เขาสนิทฐานว่าคืน นุมรุ่นหนีไปอยู่ที่อีบช่วงหนึ่งอลอยู่ที่อีบเฟอร์ไอออนคือกษัตริย์ที่อีบเนี่ยตอนนั้นน่ะยกของขวัญในต้นในวิบวรหิมเป็นทาสีทาดหญิงคนหนึ่งชื่อหาจรหาจรในเดิมเนี่ยเป็นทาสีหรือเป็นทาดหญิงที่ได้มาจากที่ได้เป็นเฉลยศึก จากการทำสงครามของฟิราอนคนนี้ได้มาแล้วก็ยกให้ท่านนาบีบรอฮีมท่านนาบีานนาบรูฮีมปล่อยทาสีคนนี้ให้เป็นไทยเป็นอิสระและแต่งงานแต่งงานกับนางนี่ได้ลูกคนแรกคือท่านนาบีอิสมาอิ์ท่านหญิงซาล่าก็เกิดความอิจฉานิดหนึง่งเพราะนางไม่มีลูก ท่านนบีมุฮัมมัดก็เลยรับบัญชาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้นำท่านหญิงฮ ا ج รภรรยาที่สองกับบุตรชายนี่อิสมาอิดไปฝากไว้ที่มักกะเรื่องนี้เราสาบกันดีสร้างกันดีนะใช่ไหมไม่ต้องเล่านะ้วมาดูไปกันคนละไปคนละสุรากันเลย أه ن ر سوره الزرية ده وكل سوره ت ا ن تاني ن س ا ن راه لانج النبي اسماعيل كده يلوك شايشة إسحاق إسحاق إيزك إ سن ي ز อ صين ثنيثانو ت ن ن ب ي برهيم ت ن ي ن س ا ن ره بارياه من ت ا ن อยู่ที่ไหนก็อยู่แถวปาเลสไตน์และจอดแดนนั่นแหละซึ่งที่นั่นก็เป็นถิ่นของชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่มีเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ที่ไม่เหมือนอีกหมายถึงว่าคนละคนละเผ่าพันธุ์กันแล้วเขาสามารถที่จะตั้งอาณาจักรของเขาที่นั่นนะหมายถึงว่าที่จอดแดนที่ ลิซไซ์นี่นะชาติพันธุ์นั้นเขาเรียกฮุกซุสแต่ตอนยุคของท่านนบีบรหฮีเมยียงไม่มีความรุ่งโรจน์รุงร่งยิ่งใหญ่ของของอาณาจักรนี้นะยังเป็นกลุ่มชนที่ยังอ่อนแออยู่จนมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่ท่านนบีบรหฮีมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้เกิดอาณาจักร ยิ่งใหญ่ที่จอแดนที่ผมเรียกจอแดนเพราะตอนก่อนไม่มีจอแดนนะจอแดนเราจะได้นึกาพาบอจอแดนอยู่ไหนนึกเมื่อจอแดนอยู่ไหนอยู่แถวปาเลสไตน์ปาเลสไตน์ตรงนี้จอแดนตรงนี้พวกฮุกซูสนี่นะก็ก็เลยบุกบุกรุกยึดประเทศอียบทําสงครามกับอียบกับพวกฟาโร่เนี่ยนะยึดเลย ตอนเหนือของประิตินเป็นของเขาหมดแล้วพวกฟาโร่เนี่ก็จะต้องลี้ภัยไปอยู่ตอนใต้ไปอยู่แถวสุดานเลยเ อ, อ้นนี่เป็นสาเหตุว่าทาไมเขาบอกว่าพวกฟาโร่เนี่ยเขามีเชือ้อเขามีเชือ้อเชื้อชาติแอฟริกาปนไปด้วยเขาได้ศึกษาด n a จากพบมัมมี่ที่ได้มานะบอกว่ามี ม, มีมีเชือ้อเชื้อคนแอฟริกาด้วยเพราะเขา เพรเขาขยายอาณาจักรของเขาแล้วก็ไปยึดพื้นที่ของสุดานและมีทัศน้ด้านประวัติศาสตร์ว่าท่านหญิงฮาเย์เนี่ยท่านหญิงฮาเย์เนี่ยที่เป็นคนอียบนะก็มีเชื้อเป็นราชวงศ์ราชวงศ์อาณาจักรหนึ่งที่ตอนใต้ของอียบซึ่งตอนนั้นน่ะติดติอยู่กับสุดานนะก็เป็นคนแอฟริกาผิวดําเหมือนกัน พอท่านนบีบรูฮมเสียชีวิตก่อนที่นบีบรชีวิตเนี่ยท่านลูกชายของท่านนบีบรูฮิมอิสฮากเนี่ยได้ลูกชื่อย ع ق บอุมินวะไรอิสฮากหลังจากได้อิสฮากเนี่ยอิสฮากตนิดนึงก็แต่งงานได้ลูกเลยนบีบรูฮมเสียชีวิตแล้วนี่นะอาณาจักรของฮุกซุนี่ก็รุ่งละที่ประเทศอีย และเกิดเหตุการณ์ของท่านนาบีอากรุปที่มีลูกชายหลายคนหลักๆ ล, ลูกชายของท่านนาบีอากรุปนี่ก็คือ12ตระกูลที่เขาเรียกกันอัสบาดแล้วก็เพิ่มไปอีกก็คืออีกสองคนนะ่ะนอกจากสิบสอตระกูลในะอีกสองคนนี้ก็คือนบียูซุฟและก็บินจานิด น, นบียูซุฟที่มีชื่อเสียงเนื่องจากว่า มีความหลอ่อหน้าตาดีมากมีความฉลาดแล้วก็เป็นลูกท่านนาบียากรูปที่มีความรู้ก็เหตุการณ์ของท่านนาบียูซุฟที่ได้ฝันเรื่องรุยาของท่านนี่นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบรรดาพี่ชายของเขาเนี่ยบังบังเขาอิชาก็เลยวางแผน เอาท่านเดบิวซุปไปทิ้งไหนนะแล้วก็มีคาราวานก็ได้ไปเวียดนามนี่ก็เจอเดบยวซุปก็เอาไปขายที่ตลาดท่าก็มีตัวแทนเอเจนต์ของกระสับในชุกยุคนั้นนะ่ะนะก็แ น, น่นอนเดบิวซุปนี่มีความหล่อมากนะก็เลยเอาไปขายให้ให้กษัตริย์ ถ้าใครอ่านสุรยูซุขเนี่ยจะเห็นว่าเรียกกษัตริย์ของอียิปต์ตอนนั้นน่ะนะเพราะพอไปอยู่ในอาณาเขตของของอียิปต์แล้วนะเขาไม่ได้เรียกกษัตริย์ของอียิปต์ว่าฟิร่าเอาซึ่งฟิร่าเอาเนี่ยเคยบอกว่าเป็นเป็นฉายาของกษัตริย์ทุกคนที่ปกครองอียิปต์จะเรียกฟิร่าส่วนมากยกเว้นในช่วง ที่หกซูสก็คือพวกชาติพันธุ์ที่อยู่เมืองชามเนี่ยเข้าไปยึดประเทศอียิปต์แล้วก็ขับไล่พวกฟาโรเนี่ยออกไปจากตอนเหนือของประเทศอียิปต์จะสังเกตว่าในเรื่องราวของท่านนั บ, บีุยูซุฟเนี่ยเขาจะเรียกกระสว่าอาซีสอาซีสูนิสก์อาลอาซีสผูยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจผู้มีบารมีอาซีซไม่ใช่เราปรากฏว่า น บ, บียูซุฟเนี่ยได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองอถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการขังแล ะ, กะเกษตรด้วยส่วนมากเขาจะบอกว่ากระทรวงการขังแต่เข้าดูแลเรื่องเรื่องปลูกข้าวปลูกอะไรด้วยนะแสดงว่าน่าจะดูเรื่องกเกษตรด้วยจนสุดท้ายพวกพี่ๆที่เคย วางอุบายขับไล่ท่านนาบีซุสุเนียท่านนาบีซุสุให้อภัยแล้วก็เรียกเข้ามาจากไหนอะจากจอแดนจากซี น, นี่ที่เขาจะเป็นถิ่นของเขาเนาะมาอยู่ที่อีบนี่คือจุดเ ร, ริ่มต้นของบรรูอิสราเอลบรรูอิสราเอลนี่นะวงวหรือลูกหลานของอิสราเอลอิสราเอลคือใครยาคุบ <c oughs> อ่า <c oughs> ยาคุบี่ ชื่อหนึ่งอย่ากุ้มนี่ถ้าภาษาอังกินเนี่ยแจ็คขอบถ้าอ่านชื่อแจ็คขอบนี่แหละเชื่อได้เลยว่าเป็นเป็นยิวแต่ถ้าฝรั่งตั้งชื่อแจ็คขอบยิวเลยเละอชื่อหนึ่งพวกเราส่วนมากนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยสังเกตอชื่อนึงส่วนมากนะใครตั้งนี่นะก็เป็นยิวอะไรเดวิด <c oughs> เออฝรั่งที่เป็นคริสตนะ์เขาไม่เคยตั้งเดวิดส่วนมากกับมีต้องมีความเชื่อทางศาสนาอิสต์นี่คือจุดเริ่มต้นของบรอิสราเอลไปอยู่ที่นั่นนะครับจนกระทั่งมีลูกหลานมีขยายความสามารถแต่ไม่ได้ไมดรุ่งเหมือนสมัยท่านนบีสุฟ จนถึงท่านนบีมูซามูซานี่ก็เป็นลูกหลาน12ตระกูลหนึ่งใน12ตระกูลของบรุอิสราเอลอยู่ที่อียิปย ต, ต์เนี่ยกี่ศตวรรษนิ่วมีความขัดแยงเยอะไม่ต่ำกว่า 2-3 ศตวรรษจนมีประชาชนชาวยิวบรรดอิสราเอลนที่อียิปตั้งแต่รุ่นท่านนบียูซุปแล้วก็พี่น้องของเขาเนี่ย จนถึงท่านนะบีมูซานี่นะในตัรานี่ในเตาร้อนี่เขาบอกวประมาณหกแสนคนแต่มีนักประวัติศาสตร์แต่คนเราไม่ค่อยเห็นด้วยเพาเยอะไปหกแสนคนนี่ถ้าถ้ามานั่งมานั่งคูนกันนะนะมีตอนเข้ามานี่ก็นับได้ไงแต่ บ, บียูซุบเบนจามินและกษิบขวัคือนับได้ในราคาจะขายายกันขนาดไหนนี่ถึงจะคั จะหกแสนเนี่ยไม่น่าจะใช่แต่ประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นยหญ่ประเด็นที่เราเล่าเรื่องนี้เนี่ยให้ให้พวกเราได้ฟังให้เข้าใจใเขาแค่ที่ไปที่มาวะนี่แหละพอถึงจุดนั้นแล้วนี่นะแล้วก็บนูอิสราเอลเนี่ยได้มอีอิทธิพล ได้มีที่ผลทั้งในด้านจำนวนประชากรรวมถึงบุคลากรบางคนที่มีความสามารถพิเศษเช่นกอรูนคืได้ินไหมกอรูถูกระบูในสุรตัตตอัลกัสซตอนท้ายๆเนี่ยก็เป็นยูก็เป็นนักธุรกิจเก่งมากทำมหากินค้าขายจนเป็นเศรษฐี แสดงว่าในอาณาจักรของของฟิรเอานี่นะก็ไม่ได้คมเห็งยิถึงขนาดที่ยิวเนี่ยจะทำหมากินไม่ได้ก็นี่ไงกอรุเนี่ยร่ารวยขนาดเลนร่ารวยถึงขนาดที่อัลลบอกว่ามาอินนะมาฟาติฮฺเขตโนูบิลกุศบตอุลกุวะคุนแจคุนแจตูเซฟะนะคุนแจคังที่เก็บแน่นอนสมัย การูนี่ไม่ได้มีเงินดิจิตอลนะเขาเก็บเป็นอะไรเป็นเงินเป็นทองอ่ะเป็นท่อนเนะ่ะเป็นแท่นกนะุญแจกุญแจค้จคจางอ่ะที่เก็บสตังอ่ะนะแตน่นอบูบิลอุสบติอูลกัวคือถ้ารวมกุญแจแล้วเนี่ยคนงานแข็งแรงเนี่ยแบกไม่ได้อุลามาตัสซีร์มีสองถ้าสนะ เากว่าคัางนี่มันใหญ่และประตูนี่มันใหญ่กุญแจมันก็ใหญ่ถึงขนาดที่กุญแจที่มันใหญ่เนี่ยแบกไม่ไหวอ่ะอันนี้หนึ่งทศนะถ้าเป็นเป็นรัต่ก่อนนี่เราเห็นบรรดาวังของจะเอาอย่างพีระมิดอะไรเงี้ยก็เห็นเออเขาเขาข า, ขาสามารถที่จะสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่หรือว่าครั้งนี้มันกับคังธรรมดานี่แหละเป็นห้องเซฟเป็นอะไรแต่กุญแจนี่มันเยอะ คุณแจนีมันเยอะใส่กระสอบนี่จะน่ามาแบกกระสอบที่มีแต่กุญแจนะไม่ไหวร่ำรวยขนาดนั้นสแสดงว่าฟิราเอวนี่ปล่อยให้ยิวบางคนนะก็ทำมหากินได้จนเป็นมหาสิท ธ, ธิไงใช่แต่ปรากฏว่ากอรูนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นยิวที่มีความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของท่านในบีมูซาเพราะในสุลตัสนี่บอกว่า กอรูเนี่ยไม่เคยเชื่อฟังแต่บิมูซาไม่เชื่อฟังคําสอนคําสอนในศาสนายิวมากนักแต่ในช่วงข้อสุ ก, สกแกนั่นเอเขามีมูซากอรูเนี่เป็นก็เป็นกลุ่มชนของมูซาก็สแสดงว่าเป็นชาวยิวไงแต่เป็นนิสัยด้วยนะของฟิลิปเป้เนื่องจากว่าเขามีโครงการเยอะแยะ ที่จำเป็นต้องมีแรงงานซึ่งไม่ใช่ยูอย่างเดียวที่ถูกบังคับให้ทำงานเป็นแรงงานของฟิราลเพราะในประวัติศาสตร์นี่ก็บอกว่าพวกฟิราลนี่ก็ต้องใช้ชาวอิบมาเป็นก่อสร้างแรงงานก่อสร้างถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการพยายามที่จะประดับประดา ประวัติศาสตร์ของฟิลาลอนนี่โอ้เขาเขาเขาไม่ได้บังคับนะเขาไม่ได้เอาประชาชนมาเป็นทาสเป็นไผ่บังคับก่อสร้างนะเขาจ้างนะมีค่าจ้างมีอาหารให้กินมีอะไรแต่เรื่องนี้มันก็มันก็อธิบายไม่ได้หรอกว่าอย่างชัดเจนอย่างมีหลักฐานนะว่าเออเขาจ้างเขามีแบบแต่ยังมีความสมัครใจเพราะเป็นเป็นไปไม่ได้ถ้าถ้าเรายึดในทัศนว่าอย่างบิลามิดเนี่ย คนที่สร้างนี่คือคนนะนะไม่ใช่ยินไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวอะไรพวกเนี้นะถ้าเป็นคนนะมนุษย์มนุษย์ในโลกใบนี้เนะี่ยถ้าสร้างนะต้องใช้คนเป็นหลักหมื่นหลักแสนคนนะ่ะทฤษฎีที่ตอนนี้เนี่ยที่เขาสอนกันนะนะก็คือใช้เวลาในการสร้างเมริดลูกใหญ่เนี่ยยี่สิบปีคนที่ใช้นี่ก็หลักแสนนะ่ะจึงไม่แปลกนะครับว่า ประชากรที่อยู่ในแผ่นดินอียิปต์เนี่ยก็ถูกน่าจะถูกบังคับพอสมควรและนี่คือสิ่งที่ทำให้ท่านนาบีมูซาคัดค้านฟีเราห์และบอกว่าเจ้าเอาบรรดาสุภาพบุรุษของบรุอิสราเอลเนี่ยบังคับใช้ในโครงการต่างๆของฟีเราห์นะแล้วก็เอาสุภาพสตรีของบรุอิสราเอลเนี่ย ให้รับใช้ในในวังซึ่งเป็นการข่มเหงที่ไม่มีใครยอมได้มูสาก็เรียกร้องขอให้พวกเราเนี่ยได้ปลดปล่อยบนุอิสราอลีให้ใช้ชีวิตอย่างอิสระฉะนั้นเขาและบรนดอิสราออลทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะอพยพออกไปจากอีบ ถ้บอร์นูสรอินเนี่เป็นคนเกเรเป็นคนไม่ดีเป็นโจรเป็นอะไรเงี้ยนะเอาออกก็อีมเนี่ยคือเราออกอด็ดีสิดีสิเหมือนโดยแล้วรรมนนี่ยบอกว่าไอ้พวกที่อพยพมาอเมริกานี่ยนะเป็นคนแลว้วเป็นคนอะไรเนี่ยให้เขาออกแล้วเขาบอกว่าออกถ้าออกนี่เอทอทั้งหมดดีสิที่เราต้องการอะให้มันออกทั้งนั้นนะ่ะ แต่นี่ไม่ใช่นี่พอเขาจะออกกันนะฟิราอุนไปไล่ล่าเอาตกลงจะให้อยู่หรือไม่อยู่เนี่ยตกลงจะให้อยู่หรือไม่อยู่และนี่คือที่ไปที่มาที่เราต้องมาอธิบายในอ่ะแปสิบสาที่ยังเหลืออยู่ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِمٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ และแท้จริงฟิลเอาบนั้นเป็นผู้ยิงพยองในแผ่นดินเพราะหนึ่งที่กุรอ่านได้บอกยิงพยองนี่ประ ก, กาศตัวเองว่าอันนนรับบุคุมลลูลอ้าแล้วฉันเป็นพระเจ้าผู้ยิงย่งใหญ่ยิงพยองก็สุดอํานาจสุดสุดยอดแล้วบนผืนแผ่นดินเน่ิงพยองฟิลอาร์ดีมีสิทธิ์ที่จะบังคับ มนุษย์ที่อยู่ในบนผืนแน่นดินเนี่ยให้เป็นท่าเป็นไพ่ให้ตัวเองวออินนะฮูและมินลมุสิริฟินและแท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้ละมืดละมุดล่วงเกินริดรอนสิทธิของคนอื่นและนี่คือสิ่งที่มีความสอดคล้องในประวัติศาสตร์ว่าโครงสร้างชีวิตของ สังคมอียิปต์โบราณน่ะนะแทบไม่มีอะไรเลยแทบไม่มีอะไรเลยที่จะบ่งถึงความสามารถและอารยธรรมของประชาชนทั่วไปพอนึกถึงอียิปต์โบราณ น, นึกถึงใครฟาโรอย่างเดียวนึกถึงสถาปัตยกรรมดีก็จะนึกถึงบรรดาวังโบสถ์ศาสนสถาน บรรดารูปปั้นของใครของ ก, กษัตริย์อย่างเดียวประชาชนอยู่ไหนะประชาชนหายไปไหนะและนี่คือทุกพื้นที่ที่มีการลบล้างความสามารถของประชาชนในประวัติศาสตร์จะไม่มีเอ่ยถึงเขาถ้ามีนักวิทยาศาสตร์ถ้ามีแพทย์ถ้ามี วิศะวะกรมีใครเก่งก็ไม่เคยถูกเอยเอ่ ย, อยใครอ่ะเอ้ยคุณอ่ะทุกที่เลยเป็นแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันถูกคุณิรณนไปโดยปริยายเราจะไม่รู้สึกถึงอิสรภาพคนเก่งคนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่มีความหวังอ่เอาโดยัจะ เขจะเก่งเช่นฉลาดไปทไําไหมแต่ในพิสุดเนี่ยผลงานของเราก็จะมีคนมาขโมยไปไปอ้างเป็นของตัวเองท่านนบีมูซานี่ก่อนที่จะออกจากอิบบ์ใต่อสู้กับฟิราห์นได้มีการท้าทายได้มีการดิเบตโตเถียงกัน ซึ่งก่อนที่นบีมูซาจะได้มีบทบาทเนี่ยนะพวกบนุษเลยก็ถูกข่มเหงไว้แล้วไงแต่พอนบีมูซามามาดีเบตฟิรอาวนี้นะฟิรอาวนีก็เลยเพิ่มการข่มเหงเนี่ยกับบรรุษเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งมนรุษอิสราเอลบางคลุมนี่ตำหนินบีมูซาบอกกระทั่งแต่ท่านมานีนะมาม า, มาทศนาเนี่ยเราแย่กว่าเดิม “กล่าวอูดีนาะ”“จากก่อนทีนะ่จะ ม, มาถึงเรา”“และจากหลังที่มาถึงเรา”“ขวา น, นท่านจะมา”“เราก็ถูกรังแก”“พ่อท่านมาแล้วเนี่ยเราก็ยิ่งถูกรังแกมากกว่านั้นอีก”“นี่คือกลุ่มชนอ่อนแอที่ไม่ใช่นักต่อสู้”“เวลามีคนที่มาต่อสู้เพื่อปลดปล่อยการดิร้นรนยกเลิกการค่มเหงให้ประชาชนนี่นะ” และแน่นอนการต่อสู้แบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องนํามาซึ่งความไม่พอใจของผู้มีอำนาจเขาก็จะยิ่งกดดันใช่ไหมมันก็ต้องยิ่งเดือดร้อนสิไอพวกคอแอนนี่แหละเขาก็นี่ <c oughs> เราอยู่สบายๆแล้วอยู่กับยูสบายๆแล้วอยู่ที่กาซา ส, สบายๆแล้วนี่พอฮามาสนี่มามามามาต่อสู้นี่นะแฮมแมฮมใครที่พูดแบบเนี้ใครเด่แบบนี้ย ปาเลสไตน์นะคนปาเลสไตน์ยะคนกาซาเลยนะแล้วคนที่มาให้การสนับสนุนในเหตุผลนี่นะผูรู้บ่อยผูรู้โอ้ก็อนก่อนี่ฮามาสนีมาเขาเขาก็เขาก็ถูกรังแกแต่ก็ยังดีกว่านะฮามาสมานี่มามามาวุ่นวายมาต่อสู้มาจิ h านี่นะเห็นดูดีความเสียหายมันขนาดไหน ทุกยุคทุกสมัยนี่นะคนอ่อนแอไรอุดมการเนี่ยมักจะเป็นปากเสียงให้ศัตรูบันทอนกำลังใจของนักต่อสู้บันทอนเป้าหมายแห่งอิสรภาพที่ประชาชนต้องมีประชาชนทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องอิสระนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมามามาเปรียบเทียบบอกว่าโอเคนี่ก็ดีแล้วโอปาลิซายแค่นี้ก็ดีแล้ ว, ลล ก, นน ก, ลวก็อยู่แบบเบราชานเนี่ย อยู่แบบยิวเนีเข้ามาไหนก็ไหนก็อุ้มไปนี่ไปไปติดคุกก็ไม่ต้องดำเนินคดีไม่ต้องอะไรยอยู่กันแบบนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ยิวไม่พอใจนี่ก็มาล้อมกาซ้าสิบห้าปีเนี่ยมีอาหารอะไรหนมปังจะเข้ามานี่ก็ต้องผ่านการตรวจอันนี้ไม่่อันนี้ม่ชาชชีวิตของมันแค่เป็นแผ่นดินของเราแท้ๆเนี่ย แล้วก็มีคนที่ไม่ใช่ของเราเนี่จะมายึดแผ่นดิ น, นแค่นี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วและบิลมูซาก็เลยต้องอบรมเพราะกําลังจะต่อสู้กับฟิราห์มันมันจะเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ความเข้มแข็งของประชาชนกับนักต่อสู้ น, ส น, นี่เป็นเรื่องสําคัญอย่างฮามาสเียเวลาเขาต่อสู้กับยิลเนี่ยเขาไม่ละเว้นนะไม่ทิ้งนะการที่จะต้องอบรมเขาก็มีกลุ่ม ดัามีกลุ่มดาว่ของเขานี่ที่ต้องอมมบรมประชาชนให้เข้าท่องจํากุตานศึกษาเรียนรู้กันเขาจะได้เขา้าใจเข้าใจหลักการศาสนาเข้าใจอุดมการเนี่ยพอเกิดสงครามเนี่ยส่วนมากของชาวกาซ่าอยู่ข้างเคียงฮามาสละพีน้อมุูจาเฮดีส่วนมากจำได้มาผมเคยพูดที่นี่นะมีอยู่กลุ่มที่กาซ่าที่ออกมาประท้วง แล้วตอนนั้นน่โอ้โหนสื่อของยิวของอเมริกาแล้วก็พวกอาหรับซ อ, อนิสเนี่ก็ออกมากระพือเลยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมชาวกาซาเขาไม่พอใจที่ไหนรู้อ่ะไอ้ที่ออกมาประท้วงนี่นะก็คือพวกฮามาสเองเล่นละครประท้วงทำไมจะได้ย้ายตัวประกันย้ายตัวประกันจากตอน น, นี้มาที่ใต้อะนะ ย้ายยังไงอะให้พวกตัวประกันอยู่นี่ประท้วงแล้วกว็ประท้วงด่าฮามาสเพราะด่าฮามาสเนี่ยทหารยวแล้วกว็พวกสายลับนี่นะเออเ อ, อด่าฮามาสช่างสรุปแล้วไม่เคยมีการประท้วงที่จะดา่ดาด่าทอฮามาสแนี่เคยมีอนะนะปรากฮามาสเขาล ะ, ละครเองซึ่งถือว่าเป็นความสามารถของ ขบวนการของฮามาสตั้งแต่ผู้ก่อตั้งคือเชอมาดยาซีนเนี่ยที่เป็นผู้ก่อตั้งนะเป็นผู้รู้เป็นขอ้อเตบเป็นเป็นคนที่ริเริ่มในการที่จะขัดเกล้าเยาวชนนี่ยให้มีอุดมการ์เรื่องย่าเรื่งต่อสุนี่ท่านนบีมูซาก็เลยต้องอบรมว่ากาลมูซายะกูมีอินคุนตุมอามมนตุมบิลลาห์ฟะอัลเลห์ทาวคัลูอินคุนตุมมุสลิมี อุซาได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพี่น้องของฉันหากพวกท่านศรัทธาต่ออัลลอ์พวกท่านก็จงมอบหมายแต่ว่ากรลูจงมอบหมายมอบหมายนี่หมายถึงว่าอย่ากลัวฟิราหนี่อย่ามองว่าเอฟิรานี่ยิ่งใหญ่แล้วเราจะทำอะไรนี่นคงสู้สู้ไม่ได้หรอกยินี่อาวุธนี่มันขนาดไหนอูอเมริกาก็ช่วยเราจะไปสู้ไม่ไม่รอดหรอก นี่มันฮวอับบาสพูดนะในยุคนี้นยุคพวกเนี่ยจะไปสู้อะไรกับยิวแล้วจะมีพวกมัธคัลลีนี่ก็าเราต้องยอมรับในสภาพถ้าไม่มีความสามารถก็ต้องยอมแพ้นี่ไม่อายต้องยอมแพ้ยอมแพ้เลยทําไมอ่ะอันนี้ก็ตายฟรีพวกนี้นี่ไม่เคยเข้าใจแล้วก็บ j i h นีในการต่อสู้ jihad นี่ไม่เคยมีฟรีตายไม่เคยฟรี ตายนี่เข้าสวรรค์น่ะแต่ลืมไปเลยเะไรเงี้ยลืมซะเลยการมอบหมายนี่หมายถึงว่าเชื่อในคําสั่งสอนของพระเจ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์นี่อยู่กับเราเชื่อว่าอัลลอฮ์นี่ต้องช่วยเลือเราอย่างเชื่อว่าทุกสภาพในขณะที่ต่อสู้นี่ย น, นะย่อมเป็นสภาพที่อัลลอฮฺสุบฮานาว์ดาร์ล่จะให้เราได้มีได้มีกําไรอย่างแน่นอนไม่ชนะตาย ในามาตรฐานของชาวโลกนี ان ان ่ตายนี่ก็คือพ่ายแพ้นี่แหละตายยับไปเป็นผักพ่ายแพ้นี่แหละแต่ไม่ใช่สำหรับผู้ศรัทธานี่ไม่ใช่ถ้าไม่ชนะนี่คือตายใช่แพ้ใช่ไหมคนที่ตายนี่เขาสวร์แนั่นนอัลลดซบนั่ลท้ดีนักูตลูฟีสบิลลาอิอัมวัดบัลอาฮียาอูนั่นดารบีมูรุซกุนแน่นอนย่เชื่อว่าคนที่เสียชีวิตในหนทางอัลลอฮ์นี่ เขาตายแล้วน่ะไม่เขามีชีวิตเขาได้รับบริสกีอยู่ท <acuerdo> ี e ่อัลลอ์อยู่นะอัลลอ์การมอบหมายนี่คือการที่จะไม่ให้ใครเสนอหน้าตัวเองว่ายิ่งใหญ่กว่าอัลลอ์เพราะผู้ศรัทธานี่คิดเม่ไร่ว่าใครยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์เท่ากอัลลอฮ์นี่นะ แสดงวนอกจากก็ไม people, ่ได้เป็นผู้ไม่ได้เป็นผู้มอบหมายไม่ได้เป็นผู้แต่วักกลุ่นแล้วนะยังขาดความศรัทธาอย่างรุนแรงมีความสําคัญอะไรอ่ะที่เราจะศึกษาพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาอัลกัดีร์อูยิญยาอัลมุตาลฟูซุนซงอัลกัดีรู้ทรง อนุภาพมีความหมายอะไรอะถ้าเราได้เรียนรู้พระนามอัลลอฮน سبحانه และก็พระนามของอัลลอฮ์นี่ทั้งหมดเลยเนี่ยแทนที่จะมาเพิ่มอีมานให้เราได้มีความเข้มแข็งในการยืนหยัดในการต่อสู้ในคําสั่งสอนนะปรากฏดวยพระนามของอัลลอฮ์นี่มันก็มันก็เหมือนนี่แหละเหมือนกุอณอ่านนีนกลายเป็นบทสวดรองพระนาม อวลัลลอฮฺเล้วเล้วเเล้วเเล้วเเลวลจ้ากันหมหม่ลออุลมานี่บอกว่ายิ่งรู้จักพระนามอัลลอฮ์มากขึ้นยิ่งรู้จักอัลลอ์มากขึ้นยิ่งรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นอีมานต้องยิ่งมากขึ้นอีมานมากขึ้นกระดงต้องเข้มแข็งมากขึ้นแต่นี่ทำไมเรากุปอฏฐากเราก็มีพระนามอัลลอฮ์อยเราก็มีเราก็ท่อง แต่ทำไมประชาชาติอิสลามอะอยู่ในสภาพนี้เพราะเนื้อหาของคุตตานและพระนามอัลลอฮ์นี่มันไม่ได้เจาะลึกไปเป็นอยู่ในหัวใจเมื่อวานได้ดูคลิปส่งให้บอร์เชียร์หรือบางคเนี้ยเราต้องทํางานหนักนะมีโตาะคนหนึ่งออกในคลิปนี้บอกว่าดูอาตกปลา <c oughs> แล้วก็เอาอายาในกุตตาเนี่ผมเลือนะ่อนอายาอะไรสักอย่างในกุตตาอ่านอายานี้เนี่ยแล้วก็ไปตกปลาเนี่ยนะ ให้อัณยานีน่เนี่ยได้ปลาแ น, น่ดูอาตกปลาแต่ก่อนนู้นก็เคยได้ยินน่ยดวอาหายตัวอ่ะดวอาหายตัวนี่มีมีสองอายนะันะอายันหนึ่งนซูร์เดียซีนอะไรนะเอ่อ อเราจะเอาอะีรมาบีบอัดให้เขาติดอยู่ในหัวใจเขาได้ไหะ ตวนี่ดูอานเนี่ยใช้ได้ตัวอาหายตัวแล้วก็มีอีกอันหนึ่งสุลกาฟีเนี่ยตัวหมอไมยเท้านี่มาใช้กับผมอ่ะวัลียตะลัดตฟฟัลียตะลัดตอฟว์ลาเฉยรันบิกุมอาหารนชาวท้ำนี่เวลาเขาออกพอผ่านไปแล้วสามรอปีนะเพื่อนเพื่อนบอกว่าให้ไปนะแล้วก็เอาตังค์ไปซื้อของกินเนี่ยว่าเลียตะลัดตฟ เสียให้ใครเห็นเสียให้ใครรู้จักโอ้ก็นี่ไงว่าเลียตาล้วตอฟแล้วเขาจะไม่เห็นน่ะนี่ไงคุณอ่านใช้คุณอ่านแบบนี้เนี่ยทั้งประชาชาติมันเจ๊งกันน่ะทั้งประชาชาติเลยใช้คุณอ่านแบบนี้แหละแล้วก็ยังมีผู้รู้ที่มีความสามารถน่ยบอกว่าอ๋อมีเหตุผลนะทําไมอ่ะเขาบอกว่ามันมีสกิตมันมีความลับเพราะนับแล้วอักษรตั้งแต่ฟาติฮามิสมิลลานะ บิสมิลลาฮิ拉ฮามดุลาห์อัลลอฮิมนตะตะบะกรอ น, นะแล้วก็นับจังต ต, งต่กุณเอาววรบรินนา่าตีนะเป็นเป็นหลายแสนอักษรนะแต่อยู่ตรงกลางเลยนะก็คือตัวฟาของวลีตะลับตมันคือมันคือกลางเป๊ะเนี่ยของของกุศลเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะ่ะแน่นอนตก่อนนู้นเขาไม่มีเออให้นับให้นะเขานับเองเลยนะ ใช้เวลาในการนับเนี่ยจะได้ได้ผลจากเงี้ยนะได้ผลผลในว่าอันนี้ตรงนี้คือจุดกลางของกรุรอ่านว่านี่ไม่ใช่ไอ้มูไม่ใช่ความรู้ที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้จากกุอ่านเนี่ยให้ไปนับอักษรจะได้รู้ว่าอักษรไหนที่มันอยู่จุดกลางเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องมีความลับมันมีความสุดยอดที่ไปต่อยอดไปใช้ได้ให้หายตัววันหยุดตลอดตุ้อ่านกุอ่านถูกใช้แบบนี้นะเงย ที่เราเห็นกันนี่ไงที่เราเห็นกันนะแต่พอไปดูพี่น้องมุจาฮิดีนฮามาสิตอนนี้เขาอยู่อยู่ในอุโมง์อ่ะนะกำลังสู้นี่นะไม่มีไฟไม่มีน้ําไม่มีอะไระนะไม่พลาดไม่ทิ้งที่จะอ่านกุรอ่านทบทวนกุรอ่านต้องจํากุรอ่านไม่ทิ้งอะนี่พวกนี้แต่จริงที่กุรอ่านนี่ทําให้เขาทําให้เขาเป็นมนุษย์ไม่ธรรมดาสําหรับคนในโลกใบนี้ และนี่คือความพิเศษของแต่ว่ากุลของการมอบหมายต่ออัลลอ์ระหว่างคนนี้ไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์กับคนนี้มอบหมายต่ออัลล์นี่คืออะไรคนนี้มอบหมายอัลลอฮ์เี่เหมือนนบีกับนบีกับอูบักราอยู่ในถ้านี่แหะละจะพิสันอิลลออินนัลลอฮะมะนัอลาัยุการานมอบหมายต่ออัลล์แลวคนนี้ไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่นะอย่างอิสราเอลนี่นะทั้งโลกนี่ช่วยทั้งโลกนี่ช่วย และสุดท้ายาก็ต้องมนานั่งโตเจรจากับฮัลวัสมองลองจินตนาการนีนะเรานี่นะเชื่อมัน่นว่าเลาอยู่กับเราขอให้โลกนี้ทั้งหมดนี่ไม่อยู่กาาับเราเราเนี่ยจะรู้สึกขาดทุนไหมไม่รู้สึกขาดทุนถ้าโลกทั้งปวงนี่ออกมาประนามมาด่าทอมาว่าเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เป็นพวกนอกกริดและจินตนาการว่าเธอเอตัวเองไนะโอ้โหคนทั้งโลกนี่ ช่วยเราแต่ Allah ไม่ช่วย a ลลอ h ไม่เอากับเรามันจะมีอะไรเหลือล่ะท่านนบีมูซาสอนสอนบรรดุษไลน์นี่บอกว่าอย่ากลวนะมอบหมาต่อ Allah เพราะอะไรเพราะพราะเดีจะมีเหตุการณ์ไงถ้าไม um ja am ่มอบหม้ยต่อล l l นี่เจ๊งเลยอินกุนตุมุสลิมีนหาพวกเจ้านี่เป็นผู้ยอมจำนนแสดงว่าอุลามะนี่บอกว่าแสดงว่าความเป็นมุสลิมเนี่ยย่อมต้องให้มุสลิมนี่นะ ต้องเป็นคนที่มีแต่วกุลมีการมอบหมายจากเราอย่างน้อยนี่นะเป็นลิมิตเป็นขั้นต่ำที่สุดของแต่วกุลนี่ก็คือไม่เชื่อโดยเด็ดขาดว่าจะมีใครที่ยิ่งใหญ่กว่าเราอันนี้คือขั้นต่ำที่สุดขั้นต่ำที่สุดใครจะใหญ่กว่าเลาใครจะมีอำนาจใครจะมีความสามารถที่จะกำหนดกำหนดการชีวิตของเราเนี่เหนือกว่าเลา فقالوا على الله توكلنا. ้งหมนีรจะรู most, health, ้น ok nee, yes, ี treated, 謝謝 yas, ่ถึงแม้ว่าเขาทั้งหมดนี่เขาก็แต่ว่ากลต่ออัลล์นี่แแต่ปรากฏว่าที่ที่หนักแน่นกับท่านบดุมูซานี่ก็ไม่ไม่มากนัก فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ว่เขากล่าวว่าแด ا อัลลอฮ์เรามอบหมายแน่นอน แด่ a ล l a h เราไม่ได้ตอกกลนะรับบ้านะไม่จะจ عل น่าฟิตน์นาติลกลุ่มผู้อธรรมเลยได้โปรดอย่าให้เราเป็นเครื่องทดลองสําหรับมูชนผู้อธรรมเลยได้โปรดอย่าให้เราเป็นเครื่องทดลองในในอ้ายเนี้ยก็จให้เป็นฟิตน่ะสําหรับ สำหรับอักอุมุฎซาลีมก็คือสำหรับพวกฟิราลเป็นยังไงอะอุลมามะได้อธิบายมีอยู่สองทศนะทศนะหนึ่งได้บอกว่าอย่าให้เราตกเป็นเหยือ่อให้ฟิราลเนี่ยได้เอาชนะเราได้พอเขาเอาชนะเราได้เนี่ยคมเหงเราแล้วก็มาเข็นฆ่าเราต่อไปนี่นะ มันจะเป็นฟิตหนสํำหรับเขาสำหรับฟิรารวันนี้ไงฉันก็ชนะมันได้ถ้ามูซาและกับบรุอิสราเอลเนี่ยมันมีความจริงมีสัจธรรมมานะมันจะไม่สภาพไม่เป็นแบบนี้การพ่ายแพ้การข่มเหงของบรุอิสราเอลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฟิตนสทำให้ฟิร์รวิ่งยิ่มพยองยิ่งรู้สึกว่าเออฉันเนี่ยมีความถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วเพราะนี่ไง สุดท้ายเนี่บยบานูซลอยเนี่ยก็ต้อง ก, ก็ต้องแพ่เนี่ยฟิต น, นะโอ้ a l l อยาให้เราได้เป็นเครื่องทดลองสำหรับฟิราว์นะบอกว่าเด ย, เด ย, เดยดจะดูความจริงศาสนารรอยู่ที่ใครพอสู้แล้วถ้าบานะูสราอิลชนะแสดงว่าเขาถูกต้องถ้าฉันชนะแสดงว่าฉันถูกต้องอันเป็นเครื่องทดลอง สำหรับผู้ศรัทธานี่นะแม้กระทั่งการทําจิ h า d การต่อสู้นี่ชนะแพ้ไม่ได้เป็นเครื่องทดลองว่าความจริงและจริยธรรมอยู่ที่ใครไม่ใช่มุสลิมจะเชื่อเสมอว่าชีวิตของเขานี่ก็อยู่ระหว่างทดสอบแม้ว่าจะชนะหรือแพ้บางทีเนี่ยใชัยชนะก็อาจจะเป็นบททดสอบก็ได้ วันเจเนบีรับมาที่กามินะลกล่าวมิลกาฟิร์แลนด์ได้ดช่วยเราให้พ้นจากโมซาหรมูชนให้พ้นจากมูชนผู้ปฏิเสธศรัทธาก็คือฟิราล์น่ะโดยพระเมตตาของพระองค์ด้วยเถิดอันนี้เขากล่าวเรื่องนี้หลังจากที่ท่านนบีมูซานี่ได้ประกาศแล้วว่าเราอยู่แผ่นดินนี้ไม่ได้ขืนยังอยู่ อียนี่นะเราก็จะอยู่ในสภาพที่ถูกคมเหงแบบนี้ตลอดเราทนไม่ไหวไม่ได้หรอกเราต้องอพยพชาวอียนี่รู้เลยว่าอพยพนี่เนะี่ยฟเรานี่ไม่ปล่อยแน่นอนทําไมอ่ะุรรดอิสราเอลนี่ก็จํานวนไม่น้อยถ้าจะออกจากออกจากอียิปตนะฟิราห์นี่ก็ต้องแค่งแน่นอนก็เหมือนประชากรจํานวนมากนี่ออกอพยพอะ มันเหมือนมีกษัตริย์คนหนึ่งที่ประเทศอียิปต์ในยุคอุลมาท่านหนึ่งชื่ออลอรซิบนอับดุลสลามสตารวัดที่หฮิจรัก็ประมาณเก0ร้อกว่าปีแล้วช่วงนั้นนะช่วงสงครามครูเสดและพวกกษัตริย์ของคริสตเนี่ก็มาวางแผนอุบายต่างๆให้ผู้นำประเทศมุสลิมเนี่ยได้แตกแยกกัน เออเดี๋ยวมาอยู่กับฉันนี่เดี๋ฉันช่วยจะได้ไปตีเมืองนั้นแหะเมืองนั้นจะได้เป็นของแกเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้กษัตริย์ที่อียตอนนั้น น, านา่ะนะอิสาาูสละมอยู่ที่อียิปต์อยู่ที่ไคโรไปจับมือกับกษัตริย์คริสตคนหนึ่งจะได้ไปโจมตีกษัตริย์อีกคนหนึ่งมุสลิมอีกคนหนึ่งอัลฮัซบินอับดุลสลามนี่รู้ก็เลยเมีย เตือนบอกก็ไม่ได้ทําแบบนี้เนี่ยไม่ได้ฉันฉันไวไม่อนุญาตแต่อก่อนนู้นอุลามาเขามีอํานาจที่จะบอกว่าได้ไม่ได้ให้ทําไม่ให้ทําเนี่ยเขมีอํานาจขนาดนั้นมีอํานาจที่ถอนกษัตริย์เลยถอนจากความเป็นกษัตริย์ได้เลยทําไม่ได้กษัตริย์ตอนนั้นเนี่ยก็ยิ่งผยองขนาดแล้วแล้วจะยังไงแล้วไม่เห็นแล้วจะยังไงโอก็ทําไม่เลิกกันะฉันก็ไม่อยู่ ไม่อยู่ในเมืองนี่เมืองที่ผู้นําไม่ไม่เอาศาสนาไม่เอาละกกน่ะฉันก็ไม่อยู่กาซากระบอกก็ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ไม่อยากอยู่ก็เชิญจะไปไหนก็ไปอหลายสิบหนาวเสร็จแล้วเขาไม่ได้มีวังใหญ่เขาไม่ได้มีอะไรเนียเขาเก็บสัมภาระอะไรเล็กน้อยเนี่ยวางไว้บนลาตัวหนึ่งลาแล้วก็พาเมียไปเมียคนตอนนี้ยังไม่มีลูก แล้วก็เดินทางออกจากบ้านเล็กๆของตัวเองนี่จะกไครรูู้ลูกศิษลูกหาบอกว่าอาจารไปไหนไปแล้วไม่อยู่แล้วกูนํานี่เขาไม่เอาซาสนากูไม่อยู่แล้วลูกศิษย์นี่ก็ออกไปบอกกับชาวบ้านเนี่ยไอ้ร้อยสิบ น, นามดิเซรามัไม่อยู่แล้วไปแล้วชาวบ้านในเมืองไคโรนี่น่ยออกไปหมดเลยออกไปตามไอ้ยสิบนามเซมเนอยู่ามนี่ไปถึง ไปถึงอนณาเขตของเมืองไคโรนี่นะทั้งเมืองนี่ตามไอ้ฤษณะกษัตริย์นี่อยู่ในวังนี่ผู้ช่วยบอกกุทธธรครับในเมืองนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเราจะไม่มีคนปกครองแล้วคือกษัตริย์เนี่ยต้องปกครองคนไงคนน่ยจะได้เรียกว่ากษัตริย์ไงจะเรียกว่าผู้นําเนีไยถ้าไม่มีคนนะ่ะจะปกครองใครอะ่ะจริงจังอ่ะ เรานี่คือพลังของผู้นำทุกคนในโลกนี้ประชาชนนะถ้าประชาชนเนี่ยประท้วงไม่เห็นด้วยอ่ะนะผู้นำานี่ไม่มีค่าแต่ต้องออกข้าเยอะยนะไม่ใชออกมาเยีวเยวองรอค น, น่ะนะผู้นำเนี่ยก็มองยิ้มเออปนะประชาธิปไตยให้มันให้มันให้มันเยอะๆเย แต่ถ้าออกมาทั้งเมืองอ่ะมีขนาดอเมริกาในสร้อล้านอ่ะออกมาเจดล้านน่ะนะเจดล้านน่ะนะทั่วอเมริกานะทัางบอกว่าไอ้พวกเลวไอ้พวกดีโมแครตนี่ก็แค่นี้แหละเจ็ดล้านนะบ้านเรานี่เคยออกมาสองแสนนี่นะลงนายกเลยสงแสนนะ ออกไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่แนละ้วประปตูป้อมแล้วประตูเมืองแล้วอัลลฮฺซิมนาบดิสลสามกษาตริย์วิ่งเลยวิ่งเลยท่านจะไปไหนก็บอกแล้วกูไม่อยู่แกอยู่ถ้าไม่เอาศาสนาไม่เอาหลักการไม่เอาฟะตวานี่จบไม่มีความหมายฉันไม่มีความหมายแล้วอยู่ยทําไมท่านกลับเถอะตัวผมทําตามที่ท่านพูดเลยเอาท่านเอายังไงนี่ผมเอาตามนั้นเลย กลับเอแล้วบอกให้ชาวบ้านกันให้ชาวบ้านกันบรรอุสาวนในรู้ว่าถ้เขาออกจากอิบเนี่ยฟิราเนี่นะเครื่องแน่มีเรื่องแน่เขาก็ได้ขอดุอายเนี่ยวันจินาบิรห์มัติกามินะลกเฟให้เราได้พ้นจากมูชนผู้ปฏิสธานี่ก็คือพวกฟิร่าพวกพ้องของฟิร่าช่วงนั้นน่ก็อยู่ใน ช่วงที่พวรานี่ข่มเหงแล้วกมูซากับบรกพยายามอดทน a l l h ก็ให้กลังใจเหมือนท่านในมูฮัมมัดลลัลอะลัยฮลมอยู่ที่มักกปีอดทน Allah ก็ให้กำลังใจนบีให้อดทนว่าใหนาอิลามูซ่าและ أخيه أن تبوء آل قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا و ص ل ا ش ر المؤمنين วะฮีวะอาใหานะเขาก็เลยแปลแปลทับศัพท์เราได้วะฮีข่าว่าวะฮยวะฮยคือสั่งสั่งแบบเบาๆเพราะว่าฮิูเนี่ยเป็นเสียงของท่านจิบริษนำมาซึ่งพระดำรัสของอัลลอฮมาแจ้งกับ บรรดา نبي ด้วยที่ไม่มีใครรู้ว่ า, ท, าท่านท่านจิบริลนี่มาบอกอะไรกับท่านนบีถึงเรียกว่าวะฮิยูวะฮิเป็นการบอกแบบเบาๆแบบบางคําแปลเนี่ยเขาจะแปลคําว่าวะฮิยูเนี่ยเป็นคําสั่งสอนแต่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ลึกซึ้งเหมือนความหมายของคำว่าวะฮิยูที่บอกว่าที่บาข้างตน้นนักวิชาการมีทั้ง ของนักเรียนกับอับแล้วก็ของอาจารย์ติเรศก็ใช่เนี่ยแล้วเราได้วะฮีแต่ของอาจารย์ติเรกเขาจใช้หอหีบอันนี้ใช้อโลคูแล้วเราได้วะฮีเรานี่คืออัลลอฮ์วะฮีนี่หมายถึงว่าได้สั่งสอนไว้กับท่านกับมูมูซามายังมูซาเราได้วะฮีมายังมูซ า, า, า, าและพี่ชายของเขาก็คือ ฮารูมันต์โบว์เอลิ قوم คุมาบิมิสรบบุยุตาซ้อนไว้ไว้ใว่าอะไรอ่ะให้จัดสร้างบ้านให้แกกลุ่มชนของเจ้าทั้งสองในหยิบหมายถึงว่าจงอยู่ที่หยิบนี่แหละให้มีถิ่นฐานอยู่ที่หยิบเสียเกาะ อ, อย่าเพิ่งไปไหนเหมือนที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีมุฮัมมัด น บ, บมีมูฮัมมัดไม่อยากอยู่มักกะฮ์แล้วแต่เรายังไม่อนุญาตให้ไปไหนสิบสามปีนะนะคือน บ, บีเนี่ยถึงปีที่เจ็ดสามปีนี่เขาเรียกว่าดาวซิ ร, รียสามปีนี่ดาวาแบบหลัลับในพี่น้องลงนึกภาพดินึกภาพดิว่าท่านบีเนี่ยอ่านกุรอานไม่เครฟังจะดาวไว้ใครรับอิสลามมาัน นี่เราเราอยากจะดัาว่าอยากจะอะไรเราอยากจะทํากิจกรรมอะไรนะั่นศาสนานี่ทําไม่เลยจัดงานเลยจัดปัญญาจัดเราอยู่ในแนวเมี่ยิ่งใหญ่นะประกาศความจริงพูดความจริงเผยแพร่ความจริงและศัตรูธรรมนี่ถือว่าเป็นแนวเมติยิ่งใหญ่นะเทียบแล้วกับสภาพของบรรดา น, นับีรุระซูนนี่คนละเรื่องกันเลยอยู่ที่ยิบก่อน ให้เป็นถิ่นฐานพม น, นักอยู่ที่ยิบเสียก่อนว่าจอาลูบุยุตะุมกินละบรรุอิสราเอลบอกกับท่านนาบีมูซานี่จะอยู่ได้แต่ถ้าเราจะละมาจะประกอบศาสนาิจในที่แจ้งนะฟิราหเล่นงานฟิราหเล่นงานถ้าเราจะละมาที่ไหนเนี่ยหรือมีคนมานเหมือนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลั ไปละมาดหนะ้ากาบา้าผู้นำกูเรชนี่ที่ไม่พอใจเนี่ยเอามูลสัตว์นี่นะ่มาวางบนศีรษะของท่านนาบีและด้วยเหตุผลนี้ในสิบสามปีส่วนมากอะนะก่อนที่นบีจะไปมิยออรอชแล้วก็ไปรับบัญญัติของละหมาดห้าวัตตูก่อนนั้นนะ่ะนะมุสลิมเขาละหมาดปีวัตตูกีวตตูก อีกอ่ะีวัคตุสองตอนไหนแล้วตอนไหนเช้าเย็นอัสการนะคือเนื่องจากว่าละหมาดในเวลากลางวันไม่ได้เวลากลางวันเนี่ยคนก็ตกอนนู่นเ่ยเขาตื่นตอนไหนอ่ะเอ้อตื่นหลังซุโบ หมายถึงคนที่มาเชีมุสลิมมานะกาเฟเน่ยนะเขาตื่นเขาเช้ารุ่งก็ตื่นกันแล้วใช่ไหมเหตุใดะละหมาดตอนไหนอ่ะละหมาดดึกละหมาดตาฮจุดตอนนั้นอ่ะตาฮจุตเนี่ยเป็นวาจิบอีกวัคตูนึงอ่ะอีกวัคตูนึง ก, ก, ก็คือช่วงซูบโบแบบกําลังเช้ามืดกับตอนดึกสองเวลาเป็นการละหมาดที่วาจิบ ก่อนที่จะมีการละหมาดห้าวคตุลทำไมต้องละหมาดสองเวลานี้เพราะละหมาดยังไม่ตื่นกันคนนอนละแต่หยุดคนนอนกันละสุโมก่อนสุโมนี่ก่อ น, อนตะวันขึ้นนะนะคนก็ยังยังไม่ตื่นสามารถอ่านได้แล้วพอละหมาดได้แล้วห้าวัคตูนบีได้ละหมาดห้าวัคตูประมาณหเดือนที่มากกะ ขมีอราร์จนีก่อน อ, อพยพ ป, ประมาณหกเดือนละหมาดห้าวะกะตูที่มักกะสุโบอ่านเสียงดังมักริบอ่านเสียงดั ง, กก อ, ง, ดงอิชาอ่านเสียงดังดูรีอัสรีเสียงคอย่อยพราเหตุคนนิ่งกันและบัญญัติอิสลามนี่ก็ยืนยันเหมือนเดิมเหมือนที่มักกะว่าสุโบมักริบอิากกอชาในเสียงดังเพราะกลางคืนคนค้นนอนกระดและอ่านเสียงดังได้ แต่กันงวันละดุรีอัสรีหนคนเต็มบ้านเต็มเมืองิันจะไปอ่านเสียงเสียงดังได้ไงเดี๋ยวเขารู้รู้แล้วก็มารังแกไงนี่คำถามว่าทำไมดุรีอัสรีต้องเสียงค่อยสุหีว่ากริบิชาเสียงดังนี่นี่คือเหตุผลบรรดุอิสราเอลบอกกับท่านน บ, บีมูซ า, าเราเจะลหมาดออกไปละมาดที่แจ้งไม่ได้ Allah กล al um ่าวว่าาจะลูบยทกุมกิบลและจงทำบ้านของพวกท่านเป็นกิบละหมายถึงว่าเป็นที่ละหมาดให้บ้านของพวกท่านเนี่ยเป็นที่ละหมาดยังไม่รู้ยังชัดเจนว่าตอนนั้นน่ะกิบลัตที่ผินหน้าของอยูในละหมานี่คืออะไรเพราะ รายละเอียดว่ายูนในปกติเขาจะหินหน้าไปยังภูเขาโูยูนซึ่งมันอยู่ที่เยรูซาเล็มภูเขาโูยูนน่ะนะที่เขาเรียกโซอยูนนสเนีน่ยก็เพราะภูเขาลูกนี้แหละแต่ในยุคของท่านนาบีมูซานี่วิหารของท่านนาบีสุลมานแล้วก็สถานศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นน่ะหลังจากนาบีมูซา แต่นิทานว่าตอนนั้นน่ะอาจจะยังไม่มีกิบลัดยังไม่มีทิศ ท, ที่จะต้องผินหน้าซึ่งเป็นทัศนะหนึ่งที่อุลามาได้บอกว่าตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีทิศทิศไหนที่จะต้องผินหน้าเอาแล้วก็เลยบอกว่าลามาที่บ้านนี่อะไรก็ให้บ้านของพวกเจ้านี่อะไรเป็นกิบลัดหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านนี่หันหน้าไปไหนนี่ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีกิบลัดแต่เราบอกว่าลาบากสําหรับพวกเจ้า ที่จะไปละหมาดที่แจ้งแล้วก็จะหันหน้าไปกินลัดไหนนี่ก็หันหน้าไปทางบ้านของพวกท่านไปในี่ใครอยู่บ้านไหนนี่ก็ให้บ้านของพี่น้องของเขาเนี่ยเป็นกินล็ดสำหรับเขาก็ได้เป็นการอารมุ่อรวยว่าจะวูบุยูตะกุมติบละแต่เป็นที่รู้กันว่าหลังจากนั้นนะ่ะนะบรรดอิสราเอลนี่กินล็ดของเขานี่ก็คือเยรูซาเล็ม ก็คือมัสยิดอักษอแล้วท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮสัลลัมตั้งแต่บัญญัติให้ละหมาด ต, ตั้งแต่เรื่องเทศนานี่นบีก็ละหมาดนะยัมีละหมาด ต, ตั้งแต่ปีแรกเลยอะ่ะตั้งแต่นบีละหมาดมีหันกินแล้วไปไหนไปมัสยิดอักษรสิบสามปีหรือสิบสองปีครึ่งเ อ, อไม่ใช่ดิสิบสี่ปีทั้งสิบสามปีที่มักกะ แล้วก็อีกครึ่งปีที่มาดีหน้าหลังใจท่นานนบีอพยพไปแล้วและมีการเปลี่ยนกิบรัตและมีบางรายงานบอกว่าตอนที่ท่านนาบีหันหน้าไปยังมัสยิดอักซอนี่นะท่านก็อยากจะหันหน้าไปทางกิบรัตท่านนาบีก็จะหันหน้าไปทางชามชามนี่ก็คือมัสยิดอักซอนี่ที่นีมัสยิดอัคซอนะแตจะให้กาบาอยู่ระหว่างท่าน <c oughs> กับกิบรัตแห่งมัสยิดอักซอ และนี่คือปราถนาของท่านนาบีจนกระทั่งเราสุภาณอวตาล์สนองความต้องการของท่านนาบีและก็เปลี่ยนกิบละให้เป็นคำว่าไม่จำเป็นเรื่องกิบละเนี่ยให้บ้านของพวกเจ้าเนี่ยเป็นกิบละว่าอากีมุสศาและและจงดำรงการละมาและจงแจ้งข่าวดีแกบ่บรรดาผูา้ศรัทธาอุลามาหลายท่านนี่เขาบอกว่ า, วาที่จริงอะเรื่อง ให้เอาบ้านของพวกเจ้านี่เป็นกิบลับนี่นะเป้าหมายของมันนี่ก็คือหมายถึงว่าให้พวกเจ้าเนี่ยมีทิศในการดํารงซึ่งการละหมาดที่ชัดเจนจะได้ไม่ต้องรู้สึกหรือมีความรู้สึกว่าเออเราจะละหมาดจะไม่มีทิศทางไม่มีอะไรเลยม่นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องเล็กไม่ต้อง เหมือนในศาสนาอิสลามถ้าเราไม่รู้กิบลัดนี่อัลลอฮ์บอกไปในมาตัวลู้ถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้อะสมมุติอะไปไม่มีอะจะไปดูมัสยิดจะไปเทียบกิบลัดไม่มีเข็มทิศไม่มีมือถือนีแต่ไม่มีสัญญาณเอ่อไม่รู้แอปมันก็เปิดไม่ได้แอปแอปกิบลัดนี่เปิดไม่ได้ดวงอาทิตย์ดวงดาวแมฆเต็มหมดเลย ไม่รู้ิบลางไงอ่ะไม่รู้อ่ะเอ๊ะทยังไงดีอ่ะโอ๊ยไม่รู้กิบลาก็ไม่ละมาดีกว่าง่ายดีมากง่ายไม่สิเริบลนี่ไม่ใช่ประเด็นเนี่ยว่าอัคมุสลามน้ำลงสึ่งการละมาอ Allah ก็เลยบอกฝ้ายะมาตวลูฟาสัมวจุลลอห์จะหันไปไหนเนี่ยนั่นนะคือพระของล l h คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพนิไม่ไม่ต้องเครียด่ะ ว่าถ้าไม่มีกิบลับนี่โอ้ทํานท่ายังไงดีแล้ว บ, บางคนถึงขนาดที่หันหน้าไปกิบลับนี่แล้วก็มานั่งถามอีกหลังหลังจากหันหันแบบมัม่วๆนะมัไม่รู้นะะพอละมาเสร็จแล้วนี่ก็มานั่งค้นหาอีกเฮ้ยมันละมาไม่นะโอละมาบอกว่าสมมติว่าเราละมาดไปแล้วนะสมมุติว่าไม่รู้นะแล้วก็เราพยายามมือนิชัยน่ะนี่น่าจะใช่กัะนะละมาแล้วมาเสร็จแล้วนี่ไม่ต้องไปดูอีกแล้วนะกันละมาของนี่ซอาแล้ว แลวสมมติว่ามีคนมาบอกทีหลังเนี่ยล้มาดยังไงเนี่ยอู่นโอ้อันนี้นะ่หันหนะ้าไปทางทางําเงียบขาวของครับ <laughs> คนละที่เลยบังต้องละหมาดให ม, ม่ไมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องละหมาดใหม่ถึงขนาที่ในมัสับชาบีเขาสมมติฐานนะ ว, ว่าเราอิิฮในวนในละหมาดนี้ที่อัลลอัั Akbar, ลฮอัลลอัันะ มีคนในถิ่นที่น่าเชื่อถือบอกว่าบางไม่ใช่ตรงนี้นี่เปลี่ยนนิดนึงหันสัก30องศาเราก็หันไป30องศาเดี๋ยเรากะอัดที่สองมาเรากะอัดที่สมนี่บางอะไรเนี่แล้วมาดยังไงนี่หันไปนุ่นน้อยนี่อีก30องศานี่ทุกราคาอัดนี่เพิ่มอีก30องศาอันนี้เขาสมมติฐานนะเพราะเราในลําพังเราในละหมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะตรวจสอบใช่ป่ะแต่เราเอาแเออนี่เสียงคนในถิ่นเนี่ยเขาน่าจะใช่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ สี่ทิศในสี่รักาชเนี่ยเราไม่ผิดนะเราทำสุขความสามารถเราไม่ผิดประเด็นกิบลัตนี่อย่าอย่าไปเครียดเพราะฉะนั้นท่านอับดุลลาหอะไวะเรไม่ให้เรานี่ยสำหรับคนที่อยู่ในโลกนี้นะไม่จาเป็นต้องหันไปตรงทิศกาบเอกชนและอัลลอฮฺ่บอกว่าถ้าไม่ได้อยู่ต่อหน้ากาบาเนี่นะหันไปหันไป ของกาบ้านนี่โดยกว้างอ่ะฮาริสบอกว่าเติรมซีนบีนบีอยู่นบีอยู่มาดีนานบีก็ต้องหันหน้ามาทางใต้มาดินาอยู่เหนือมักกะคนที่อยู่มาดินาก็ต้องหันไปทางใต้ใต้นี่มันอยู่ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกใต้นะมันอยู่ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนบีก็เลยบอกว่ามาไปทางมัชริกีหรมักริบีทิบละระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเนี่ย เป็นกิบลัฮะบางมาสัสยิดนี่นะทำแล้วเนี่ไม่หรอกนี่กิบลัดนี่ทําแล้วโอ้ห้าองศาผิดหรือเลยไม่ต้องขนาดนันแต่ถ้าแบบว่าเก้าสิบองศานี่อันนี้นี่อันนี้สมควรมันแปลกว่าสร้างมาได้ไงอะห่างกันโอ้โหนี่เก้าสิบองศานี่มันแต่ไม่มีนะไม่มีนะมันมีที่บ้านเราที่เคยมีปัญหานี่สาสิบองศายี่บห้าองศาอะไรแบบเนี้ย ซึ่งความเห็นของผมว่านะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาของเราเนีตนต่ตะวันตกตะวันตกทั้งหมดเลยซึ่งตะวันตกสําหรับเราว่านะระหว่างเหนือกับใต้นี่ระหว่างเหนือกับใต้ น, น, ใตนี่นะอันนี้เหมือนคือเทียบได้เทียบเหมือนนบีไง น, นบีต้องหันใต้ใช่ไหมใต้นี่ระหว่างตะวันตกตะวันตกกับตะวันออกของเราเนี่ตะวันตกนี่ระหว่างเหนือกับใต้เหนือกับใต้นี่นะขอให้นละมาเถอะแะอกี้มุสซาลา ตรงนำลงซึ่งการละหมาดแจ้งข่าวดีแก่บรบรดาผู้ศรัทธา <c oughs> แต่ในขณะที่ท่านนาบีอูซาและบรรดอิสราเอลเนี่ยถูกขมเหงเขาก็ดูอาต่ออัลลอฮฺ سبحانه แล ะ, ะ ت ع า ل ى ให้อัลลอะฺได้จัดการจัดการฟิราวนและสับแช่งฟิราวนุนซึ่งเป็นเป็นข้ออนุญาต เตลล์ให้อนุญาตให้นบีบางท่านที่ได้อดทนกับการคมเหงของกลุ่มชนของเขาถ้าเขาทนไม่ไหวนะแล้วก็อนุญาตให้เขาได้ดูอาสาบแช่งให้ลงโทษนบีบางท่านก็เลือกที่จะแช่งกลุ่มชนของเขาหลังจากที่ได้ปฏิเสธการเทศนาของบรรดานาบีและโระซูล يعني أبكى يمرنر إنه نبي نوح نبي نون يق دعاء ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديا را يهيمي ن يهمنا بن دنيا. ح ُ و ب َ ت ِ ا ل س َّ ت َ ا ن ِ ي دَنْ مَعَكُنْ د ِ ي و ْ ك ر َ ا ب ْ كَابَ ل َ ه سُوَطَا نِيْ كَجُمْنَانِ إِذَا ن َ ب ِ ي ُُ و س َ ى ق ا ل م و س อูซาได้กล่าวว่าฟังดูอาของท่านนบีมูซาให้ดีนะแล้วก็พยายามสังเกตภาพให้ดีนะว่ก่ลมูซาใครที่กล่าวมูซามูซาคนเดียวนะรบบะนะท่าแต่พระเจ้าของเราอินนักอาตตฟรอาวะมลฮูซีนตะวะอมาลิต الدنيا ท่านอิมระองค์ ทรงประทานความสําราญและทรัพย์สินแก่ฟิราห์นและหัวหน้าของเขาบอกแล้วว่ามาลลาอัฮูเนี่ยไม่ใช่หัวหน้านะไม่ใช่ไม่ช่ผู้นําของเขานะมาลลาอฮูแล้วก็แล้วก็กลุ่มชนของเขาอว่าพรกพวกของเขาะท่านได้ให้ฟิราห์นและพรกพวกของเขาเนี่ยนะมีเคลื่อนประดับประดาความสําราญและทรัพย์สินเงินทองฟิลหายติดดุนเนื้อ ในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้รับบานาอิยุดิลลุอันซาบิลข้าแต่พระเจ้าของเราโดยที่อัลลอฮ์ให้เงินทรัพย์สินของเขาเนี่ยโดยพวกเขาจะทําให้กลุ่มชนหลงจากแนวทางของพระองค์ด้วยทรัพย์สินด้วยอํานาจด้วยสิ่งประดับประดาความสําราญที่พระองค์ได้โปรดประทานให้เขาเนี่ยอัลลอฮอย่าให้เขาได้มีทรัพย์สินเหล่านี้เลย รนัทข้าแต่พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงทำลายทรัพย์สินของพวกเขาทำลายทรัพย์สินของพวกเขาและทรงโปรดทําให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างอันนี้อันนี้แรงกว่าทําลายทรัพย์สินนี่นะคือทรัพย์สินแต่ประทับ ตาหัวใจของเขานี่ไม่ให้เขาศรัทธาอีกแล้วนี่นะอันนี้นี่วัชดุดดะกาลาคูลูบีไมแข็งกระด้างไฟล์อยู่เนูเพื่อมิให้พวกเขาศรัทธาจบละก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺอนุญาตให้นบะนบีละรสรุลที่ถูกปฏิเสธ ในระยะเวลาที่เข้าเดทศาสนายาวนานแล้วก็กลุ่มชนุ่นเข้านี้ก็ไม่เอาสักทีแถมยังต่อต้านนะา่ะนะ แ, แล้วแต่ท่านจะเอาอยัางไงเรื่องนี้ท่านอาลัลลอฮ์ก็ให้ท่านนบีมุฮัมมัดเลือกด้วยเนะจะให้เราได้ให้มัด ก, การนี่พี่น้าทั้งเมืองเลยนะท่านสั่งมาเลยแต่นบีเลือกที่จะไม่แช่นบีมุฮัมมัดสุลต์ละสลัมเลือกที่จะไม่แช่งไม่ขออุทิศให้เข้าพี่หนา้า ขอให้อัลลอฮ์ได้ให้อภัยโทษเขาหมายถึงว่าผ่อนปรนและเปิดโอกาสให้เขาเพื่อไม่ให้พวกเขาศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะเห็นการลงโทษอย่างเจ็บปวดก็ล้วเพราะองค์ตรัสว่าอัลลอฮ์ตอบก็ดูจีบัดดาวะตุคุมาการวิงวอนของเจ้าทั้งสองถูกครับแล้วทั้งสองไหนอะวะกอลามูซา นี่ที่บอกว่าสังเกตว่าก่าลามูซาพระบัญญนตินี่คือในการดาว่าของท่านนบีมูซาเป็นที่รู้กันใครที่อ่านเรื่องราวของท่านนบีมูซาจะรู้สุรต่อฮานีอัลลับอกข้าดูอัตอัลลับว่าะให้ลีว่ซีรันมินเอฮ์ลีฮารูนเอชีได้โปรดให้มีผู้ช่วยกับฉันนี่นะ คือนบีฮารูนเนี่ยพี่ชายของข้าพเจ้าเป็นวิชายให้แต่งตั้งเป็นนบีและระซูลด้วยเพราะฉะนั้นนบีมูซาจะพูดอะไรจะทำอะไรจะเทศนาจะทกิจกรรมอะไรด้านศาสนานี่นะแน่นอนท่านนบีฮารูนเนี่ยต้องอยู่กับท่านนบีมูซาเพราะขอดูอล้วนี่นะ Allah บอกว่าข้ออุจิบาดดาวะตูกูมาการวิงวอนของเจ้าทั้งสองถูกตอบรับแล้วก็ต้องแสดงนิทานว่าหมายถึงว่านบีมูซากรับบนาอินนักอัตย์ตาฟะอุนวอมลาอูซีนเตวออม حياة الدنيا รับบนาลิยุดลูอันสบิลกับรับบนาทมิสอัลอาวอล و ج د ع ل ق ل ف ل ا ي ؤ م ن ح ت ي ر و ا ل ع ز ا ئ م ฮารุนเดลันทามไล أمين آمين آمين ماشي واتنبي موسى ربنا تمس على م و ل م ه ربنا تمس على م و ل ب نبي هارون م ي ل ي و ت نبي هارون ما ليه خو تام ي ه เพราะ ن آية ي ق و ق ا ل م و س ى نبي موسى ب ن ك ن بود ق ا الموسى ق ا ل م و س ى ك و د ي ق แต่พรถูกตอบรับนี่นะ قد أ ج ي ب د ّ ا و ت ك و م ا ا م ا มัก ن ุน ي เตบอกว่านี่เป็น อ้ายาสามารถอ้านได้ทางออมว่าอิมามนี่อ่านฟะฮ์มัมมุมไม่ต้องอ่านมัมมุมทำอะไรอันนีมัมมุมเพราะอิมามฮัมดุลลอฮยรามบิดาเราอรเพราะมัมมุมกบอาเมนเท่ากับมัมมุมนี่อ่านเหมือนอิมามเพราะฉะนั้นมีหาริสตอร์ไตหน่อยนะการอ่ตุลอิมามีการอ่านตุนลิลมมมุม การอ่านของอิหมัมนี่เป็นการอ่านของมะมุมไปด้วยหมายถึงว่าการอ่านของอิหมัมนี่จะแบกภาระการอ่านของมะอูด <ix Belgian> มะอูดไม่ต้องอ่านอันนี้หมายถึงว่าการอ่านเสียงดังแต่ถ้าอิหมัมอ่านเสียงค่อยนี่นะอก็ตัวใครทัวมันแล้วสิในเชิงว่าอ่านเสียงค่อยแล้วมะมุมก็ไม่ต้องอ่านด้วยนะซึ่งในมัซซาพานาฟีเป็นแบบนี้มัซซาพานาฟีนี่บอกว่ามะมุมไม่ต <funktioniert S 1> ้องอ่านปฏิหาเลย จะ อ, อ่านเสียงดังอิหม่าอ่านเสียงดังหรือเสียงคอยอยะนะ่อยไงนะมะมุมเนี่ยมีสิทธิ์ที่ไม่ต้องอ่านที่ว่าจิบต้องอ่านนี่นะอายะอันไหนก็ได้ในกุฎอ่านไม่ต้องฟาดิฮะมีรายละเอียดในมัศพานะพี <g lar cute> แต่ถ้าสถานะถูกต้องนี่นะถ้าอิหม่ามอ่านเสียงค่อยมะมุมต้องอ่านฟาดิฮะเนี่ยต้องอ่านแล้ว <g lar cute> แต่ถ้าอิหม่ามอ่านฟนาดิฮะเสียงดังอยู่แล้วนี่นะมะมุมนี่ไม่ต้องอ่านมะมุมก็ต้องกล่าวอามิน เพราะไอ น, นิ้เทกับเท่ากับเขาบอกว่าขอด้วยหลังเราตอบรับแล้วดุอาของท่านทั้งสองฟัสตากีมาเจ้าทั้งสองจงดําเนินตามแนวทางที่เที่ยงธรรมว่าล้จะตัดบีอันนีเจ้าทั้งสองเนี่ยอย่าปฏิบัติตามแนวทางของบรรดาแ ล, าล้วจะตัดเบียร์อัน เจ้ทาทั้งสองนี่ก็อย่าปฏิบัติตามคนที่ไม่รู้ก็คือหมายถึงว่าคนที่ไม่อยากรู้ความจริงและสัจธรรมว่าจวิจารณ์บุญอิสราเอลและ بحر ะจะไปยังไรเสร็จนะไม่เสร็จไม่เไม่เสร็จไม่น่จะเสร็จมาถึงจุดที่ท่านนบี มูซานี ا ا ่ประกาศกับบรุอิสรียบอกว่าอัลลอฮอนุญาตละไม่ไม่อยู่ละอีบเราต้องออยพอพอยอไปไหนอ่ะอพยไปไปอัลอาดุลมุบารักะอัลมุคดดนที่ักทิศก็คือปาเลสไตน์ซึ่งทศนสนส่วนมากนี่เขาบอกว่าเมืองที่ท่านบีมูซา แลกับรบรุษย์อสราเอลอยู่นีอยู่ภาคกลางของอียิปต์ภาคกลางของอียิปต์เนี่ยถ้าจะไปแผ่นดินป า, ลาเลสไตนี่ก็ต้องไปซีนนะทางบกแต่เขาสนิฐานว่าไปซีนทางบกเนี่ยมันจะเป็นแผนที่ไม่ดีเพราะจะทำให้กองทัพของฟิราหเนี่ยติดตามงาบกที่ดีนี่ก็คือ ไปพื้นที่ที่อาจจะต้องจ้างเรือข้ามทะเลอะไรสักอย่างเขาก็ไปไปแถวทะเลแดงทะเลแดงนี่ตอนเหนือนี่มันก็จะมีสองใครกันสองสองฉากกันนะสองสองช่องน้ําอ่ะช่องหนึ่งเขาจะเรียกเขาจะเรียกช่องที่อยู่ติดที่อยู่ติดกับประเทศอีมเนี่ย เขาสันนิฐานว่าท่านนาบีมูซาระบนอุสลเนี่ยข้ามทะเลจากจุดนี้บางทศนิยมบอกว่าทะเลที่ข้ามนี้ไม่ใช่ทะเลแดงมันก็คือแม่น้ำนานแต่ทศนิย ท, ที่อ่อนมากเพราะข้ามแม่น้ำนานนี่นะโอ้ชาวหยิบนี่ข้ามน้ำไม่ว่าเล่นหรือไม่ใช่เรื่องมหใช่เรื่อ ง, อ, งจจอะไรยิ่งใหญ่ มันไม่ใช่เรื่องที่แบบอไม่ไม่ใช่ว้าวอะเรื่องธรรมดานั่งเรืออะไรนี่นนคือบรรดวิสราอินเนี่ยเขาไม่ได้คิดเลยนะว่าอัลลอฮ์จะให้มีโมจิจัดมีมหาสจรย์หรืออะไรสักอย่างหนึง่งเขาคิดว่าเอาเดี๋ยวเราไปแบบลับๆไปแบบลึกลับแล้วก็พยายามไปหาเรือไปอะไรแล้วก็ค่อยๆไปกันค่อยๆไปกันเขาคิดแบบตื้นๆน่ะแต่นี่แผนของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ่ะ พีเราเนยรู้เสก่อน่าจะมีไส้ซึกแล้วก็เนกรูนเนี่ยก็น่าจะเป็นไส้ซึกนี่พวกยิวหนีแล้วพร่เราเนี่ยก็เลยยกทับตามทันดีเลยทันมานี่และบรรดุชนจะไปทันหาเรือที่ไหนล่ะในสุรษูอาระและก็ฮุดนี่บรรดุอิสราเอลพวกกัเนิดอินนัลมุดรักูนแย่แล้วเขาทันเราแน่ๆหมายถึงว่าพี่เราและกองทัพเขานี่ทันเรานี่สังหารเราแน่ๆ <سؤال> نبي موسى وقال كلا مايلوي إن معي ما ربي سيهدين الله يك الله يك شهد م ا ن ت ي ل ن ب ي محمد ب ل ا تحزن إن الله ما غ ن ا ن نبي موسى ك ب ا ق ي إسرائيل ل إن معي ربي سيهدين الله يك ر أ و ما سجني لا تعلن كذب من ي ل و ่าเจา وزنا ببني إسرائيل البحر رؤدي هاي نبي رؤدي هاي بني إسرائيل ข้ามทะเลพ้นไปเจา وزنا พ้นไปในสุราออร์นี่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าว่าท่านนบีมูซาก็ได้ตีทะเลน้าทะเลด้วยไม้เท้าแล้วน้าทะเลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทางเดิน ที่แห้งเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าอย่างทะเลนี่ถ้าสมมติว่าวิดทะเลหรือวิดแม่นง้งวิดคลองอะไรเงี้ยพื้นดินมันก็อะไนะมันก็ยังแช่ยอยู่ดีโคลนเต็มเลยอะเดินก็ยากนะแต่นี่ไม่ย Allah วัดริบละคุมตรีกันิลบะเลยบซาตรงตีน้ำทะเลแล้วมันจะกลายเป็นทางเดินยาบซาแห้งหมายถึงว่าเดินสะดวก เดินไปแล้วนี่นะเดินจนถึงอีกฝั่งหนึ่งบรรุซอยนี่ข้ามไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งทั้งหมดเลยแล้วด้วยความอลังการน่ะคือทะเลนี่มันแยกเป็นสิบสองถนนน่ะคิน ด, ดูนี่สิบสองซอยนะสําหรับตะกูลบนรุอิสราเอลทุกตะกูลตะกูลละหนึ่งซอ ย, อยาการให้ที่อลัลลอฮ์ให้เกียร์เข้าอ่ะสบตะกูลสบสองตะกูลน่ะนะสิบสองซอย บางรายงานแต่ไม่มีหลักฐานที่แข็งแรงรองรับบอกว่าขณะที่น้ำทะเลในแยกนี่นะอัลลอาฺให้มีช่องเหมือนหน้าต่างในน้ำทะเลเนี่ยระหว่างแต่ละซอยนี่นะให้แต่ละตระกูลเนี่ยเห็นอีกตระกูลนี่นเขากำลังเดินกันนะไม่ได้จมน้ำนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลนะนู่ น, นนะอ๋อเนี่นะ้ะะแต่ น, นี่ไม่มีหลักฐานรองรับแต่อิบเนกเซียได้ระบุไว้ในในหนังสือ จนข้ามไปอยู่อีกฝั่งนึ่งแล้วนะแล้วกับฟิร์เอาเนะี่ยผมสันนิษฐานนะในคุร์ร์อานในฮะดีสันีม่มีบอกว่าแล้วกันไหนฟิร์อานนี่มาแล้วทำไมไม่รีบข้ามละ่ะนึ่งอัลลอฮ์อาจจะไม่ให้แต่ถ้าแบบว่าอธิบายแบบให้เมกเซนหน่อยให้มันเป็นไปได้หน่อยนะทึ่งดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะไ ร, ะไรนี้อะไรเนี้ย <laughs> นะ ข, นนขั้นเนี่เนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนเ่ยเนยเนี่ยเี่นี่นยเียยเนี่นี่น่ยเนียเนี่ยนเน่เนยเนี่ยเนี่ยเนนนีเนีนี่น่นเ่นี่น่น่นี่นนี่ น, ะตะตนี่เ น, นี่ยนีเีเนี่ยน่เนีนนี่ น, นี่นีเนี่ยเนียเ้น่งเนี่ึ่ยเ่ยน่นน่ จนบรอิสราเอลนี่ข้ามไปละข้ามไปอีกฝั่งหนึง่งอัลลอฮฺบอกว่าเาวันียาวัดเนะี่ยแปลว่าข้ามทะเลพ้นไปพ้นไปแล้วจ <c oughs> นกระทั่งทูดอัลและก็ผู้ช่วยไม่ทัพบอกว่านี่นี่ยเขาจะไปแล้วนะเขาจะหนีแล้วนะ <c oughs> คือต้องรู้ว่าเขากําลังอยู่ระหว่างเหตุการณ์ที่มันผิดปกติน้ำทะเลนี่มันแยกอะ่ะอา้าแล้วถ้ากูเดินไปอะ่ะ น้ำทะเลมันจะเป็นแบบเอี well ่ยเขามีสมองคิดหน่อยนะนี่คิดหน่อยนะค้ค้กแต่มันเป็นดุอาของท่านดบเบูซาหให้เาให้เขาได้เห็นให้เขาศรัทธาหลังจากที่เขาได้เห็นการลงโทษแล้วฟาลาุมินฮัตตยรอลอาซาบลอเลมเขาจะศรัทธาจนกว่าจะได้เห็นการลงโทษก่อนหลังเลอยู่นั้นะ จนสุดท้ายตั่สินใจลุยนกว่าจะทันพอลุยไปทั้นกองทัพเลยนะรถกระสังให้น้ำทะเลนี่กลับที่เดิ ม, มกลับที่เดิมนี่ก็ขึ้นไม่ต้องอธิบายนะโอ้โหมันจะขนาดไหนกระจมกันทั้งกองทัพเลยรวมถึงฟิราห์นด้วยอาตบ้างฟิราห์นว่าุนูดฮูบะฮิายวาวะดดัวดัลนั้นฟิราห์น และพลพรรคของเขาได้ติดตามพวกเขาติดตามบรรดิสราเลนะ <c oughs> โดยอาธรรมและเป็นศัตรูบาียันบาียันไปว่าโดยอธรรมโดยไม่เป็นธรรมอาดวนตรงนี้เนี่ยแปลผิดอาดวนเขาน่าจะ เขาน้าจะเขาน่าจะเข้าใจว่าผู้แปลนี่หน้าจะเข้าใจว่ามัจากอดูไปว่าศัตรูแต่จริงเนี่ยไม่ใช่อดวไม่ใช่ดูดวมาจะรักษากดีอาดาอาดาไปว่าเลมิดอธรมแลิมุดฉันกาดว่บางคดีอานยาัศลปศรีได้เองว่าอดูอดัเพาอาดานี่มันมีนามสองอย่างดวนและกอดว แต่ไม่ใช่สัตรูนะสัตรูนี่อดูมันคนคนงขรั่ักันคือฟิรห์าวนจุนูดุฮูและทหารของเขานี่ได้ตามนบีมูซาและกะบ็บบอิสราเอลโดยไม่ชอบไม่ชอบนี่ก็หมายถึงว่าจะทำที่มันปรากฏ ด, ด้วยมอุอดีษะอภิ น, น้หารแบบนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วให้ฟิราวนี่นะได้ได้คุยกักบเธอ ตัวเองเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วนี่ทําแค่นี้ก็ไม่เป็นแล้วนี่น่าจะรู้ตัวเองนะว่าเพราตัวเองการเพิ่งกลับบ้านเหรอนะไม่กลับฉัาไม่กลับฉันต้องตามให้ตนะ้น ต, ต้องสังหารทั้งหมดเนี่ยบยาคกี้าโดยมิชอบไม่ชอบมันละมันเกินละตัวเองตัวเองเห็นอะไรยิงย่งใหญ่แบบนี้แล้วก็ยังจะมาดื้ออีกนะว่ารับดูวยนี่ละมิด ถ้าแต่ إذا أدركه الغرق ุจนกระทั่งเมื่อการจมน้ำมาถึงเขาแล้วเนฮานิสบันทึกโดยอิมามัตท่านนบีจุบเรลเล่ากับท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีจุบเรลมีเวลาคุยกับท่านนบีเยอะนะโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนยุดากิรุหุานอันคุรานเลม แล้วก็พูดทุกเรื่องเลยในบันทึกของอามัดท่านจิมริลพูดกับท่านนบีมุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดโอ้ท่านนบีถ้าท่านเห็นฉั้นเนี่ยตอนนี้ฟิเราอนี่นะตอนนี้ฟิราเนี่ยจมน้ําแล้วแล้วมันจะเก่าวกะลิมอฟแล้วมันจมน้ําแล้วแล้วก็เห็นสัจธรรมแล้วนี่มันจะศรัทธาแล้วนะ ถ้าบัจเจ้าเนี่ยเอาดินจากทะเลนี่จะโค่นนะนะไปยักปากมันไม่ให้มันศรัทธาเดาจะอธิบายให้ทำได้เหรอเขาจะศรัทธาแล้ไงเดี๋ยวจะมีคำตอบในคุรานเขาจะศรัทธาแล้ไงอย่าลืมวดูอาของท่านนบีมูซาว่า فلا يؤمنو حتى يروا ุล่าเขาจะไม่ศรัทธาจนกว่าจะเห็นอาจากการลงโทษซะก่อน พ้ไม yeah? ah ่ตื่มน้ำเลี้ยงยา حتى إذا أدركه الغرق ตื่มน้ำเลี้ยงยาข้าแล้วอมันตเขากลาวว่าฉันสัาแล้วันลาอิลาห์อิลลัลที่แมันตบีห์บานุอิสรลัาแล้วแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากผู้ซึ่งบนอิสราเอลได้สัาต่อพระองค์ ว่าอา ا าจักรมุสลิมีนและฉันคือคนหนึ่งในหมู่ผู้นอบน้อมท่านขอเป็นมุสลิมกคนหนึ่งซ <c oughs> ึ่งตอนนั้นน่ะนะที่ท่านดิบรีนนี่บอกกับท่านอิมราฮมเนี่ยยัดโคนใ น, ในปากเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้ากลัวว่ากลัวว่าถ้าเขาวิงวอนอัลลอสุบฮานาอดาละอาจจะเมตตาเขาได้ซึ่ง เราต้องเข้าใจต้องศรัทธานวะว่าอันนี้คือความเข้าใจความสันนิษฐานของท่านจิบริลเองที่พูดกับท่านนาบี ม, มูฮัมหมัดแต่โดยแน่นอนอัลลอฮ์นี่รู้ว่าท่านจิบริลคิดอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่าสมควรที่อะไรที่ต้องเกิดขึ้นเพราะเราได้ถ้าเราได้ลำดับดเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยอนะอัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีมูซากับนบีฮุษ อิ ذه บะอิลาฟ رعون ไปหาฟ رعون อัลลอฮ์บอกนะฟะ قول าลหูกล่าลียนนาพูดดีดนาพูดนินินะอย่าพูดแรงแรงนะมีอัลลอฮ์นะพูดกับท่านนบีมูซาละฮารูนที่คมเหงมนุอิสราเอลผู้สตาทั้งหมดเลยนะบอกกับมูซาพูดดีดีนะพูดนิ่มนินะอย่าพูดรุแรงนะมีคนหนึ่งมานสห์ขลิฟาคนหนึ่ง ผู้รู้คนในพวกแกมีความรู้เยอะนะก็มาเาสิทธิคาลิฟาคนนึ่งคาลิฟาคนนี้นี่ก็เป็นคนไม่ดีแหละเขาบอกว่านี่ผมจะมาเตือนท่านนะผมจะเตือนแรงๆนี่ท่านอยานะอ่าโกรธนะเราก็ทําไมต้องเตือนแรงๆล่ะเองก็ไม่ไดีดีกว่ามูซาแล้วผมนี่ก็ไม่ไดีเลวกว่าฟิราวนนะแต่ Allah บอก <laughs> Allah บอกกับนูซานี่ ให้ไปพูดกับี่เราเนี่ยก็ว่ลลายนาบอกูละละหูก็ว่าเลยให้พูดนิมนิมดๆดีนี่ดูขั้นตอนนะอัลลอฮ์บอกกับมูซาพูดดีๆนะไปดาว่าเขานะมูซาไอ้ฟิราห์นี่ก็ไม่เอาเอามาเลยมาท้าเลยดิเบตเลยเอาเอาพวกนักเสศักดิ์มามาดิเบตกันเลยอดีเบตเสร็จแล้วนี่แพ้เนะี่ฟิราห์นี่แพ้ชัดเจนอนะ่ะยังไม่เชื่อ อ, อีกแล้วก็ยังขมเห็งอีกไม่จบ อ่าถ้าอย่างนั้นไม่อยู่ละยิ่ไม่อยู่ละกูไปละไปแล้วนี่นะเห็นไม่เห็นแกตาเลยนะครับว่าแยกคือก่อนหน้านี้เนะี่ยมีโมโนจสตาอื่นๆนะั้นเป็นสิบๆเลยนะก็ไม่ยอมอ่ะแยกทะเลนี่เห็นจระจเลยนะก็ยังดื้ออีกแล้วแบบนี้เนี่ยจะให้โอกาสอีกแล้วเหรอให้โอกาสไปนานแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะ นักประวัติศาสตร์ชาวยูวเพราะเขาสนใจเรื่องนี้มากเพราะมันเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของยูก็คือเหตุการณ์อพยพจากอิบอพยพจยกอีบนี่ไปปาเลาสไตน์เขาจะไม่พูดปาเลาสไตน์นะเขาจะพูดแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เขาก็บอกว่ามีฟิราวนอยู่สองคน คนหนึ่งชื่อรามซิสถ้าสำเนียงไทยเราเนี่ยเขาจะเรียกเรมเมซิสหรือเรมซิสแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยอามิมปิตาอามิมปิตา <c oughs> รมเรามซิสนี่นะเขาได้ครองราตั้งแต่อายุสิบสี่เสียชีวิตในอายุ8ปสิบกว่าทัศสนอบังทัาเสนสนิริธานว่ามเมซิสเนี่ยนี่คือฟิรอาวน ที่คมเหงบรูอิสราเอลแล้วก็ไลลาท่านนบีมูซาและก็จมน้าเอเมซิสเนี่ยและทาเอเมซิสเนี่ยเป็นผู้ที่คมเหงบนรูอิสราเอลนี่นะเขาครองราชเนี่ยเขาบอกครองราชเนี่ยก้าสิบแปรเจสิบปีก็ตั้งแต่อายุสิบสีสิบสามาเป็นกษัตริย์แล้วค่มเหงบนรูอิสราเอลก็น่าจะเป็นสิปีอ่ะฉะนั้นโอกาส ในการที่จะได้รับรู้แล้วก็โอกาสที่ศรัทธานี่มันมีมาเยอะแล้วอ่ะไม่ควรที่จะได้โอกาสตอนที่ถูกลงโทษแล้วนะถูกลงโทษแล้วอ่ะนะไม่ได้เทียบแล้วในหลักการศาสนาอิสลามของเราเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะเตาบัตตัวตลอดชีวิตแต่พออาสาบการลงโทษที่ยิ่งใหญ่คือความตายมาเยือนเจ้าแล้วนี่นะ แล้วไม่ใช่ตายธรรมดานะหมายว่าตาย ก, ก, ก็คือวิญ ญ, ญาณ น, นี่มาถึงลูกกระเดืองแล้ววิญ ญ, ญาณถึง ก, กัลูกกระเดือกนี่ก็หมายถึงว่ามันเป็นวาระสุดท้ายของการที่วิญ ญ, ญาณออกจา ก, กร่างกายเป็นช่วงที่ถ้าใครเคยอยู่กับคนที่ใกล้เสียชีวิตนี่นะพอมายิเนี่ยพอผู้เสียชีวิตเนี่ยเริ่มมีเสียงจัดลูกกระเดือกนี่ถ้าใครเคยเจอนะเคยมาม ผมนี่เคยหลายคหนคหลายหลาคนไปไปนี่คือวิญญาณช่วงสุดท้ายของวิญญาณนี่แสดงว่าวิญญาณนี่บางส่วนนี่ออกนะบางส่วนนี่ออกนี่ยังยังพอพูดได้อุลามาได้บอกว่ามายิดนี่ไม่ใช่มายิดนี่คนที่ใกล้เสียชีวิตเนี่ยถึงขั้นที่รู้ว่าตัวเองนี่ตายแน่ตายแน่ เห็นทั้งมลกลเมาเห็นบรรดามาเลยก้าที่จะมามาต้อนรับหรือจะมาแจ้งข่าวดีนี่ถ้าเป็นคนเลวนี่ก็จะเจอมาเลยก้าแห่งการลงโทษนี่หน้าตาน่ากลัวมากนี่ก็จะแสดงสีหน้าที่กลัวแต่เป็นคนดีนี่ก็จะมีมาเลยก้าที่มาในชุดที่ดีหน้าตาที่ดีนี่ก็จะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสรู้เลยว่าจะตายบางทีเนี่ยไปหาคนทีใกล้จะตายนี่นะ คนข้างๆนี่ก็ร้อง อ, อกร้องไห้เศร้าใจแต่เขาก็ยิ้มแล้วก็มองนู่นมองนี่ยิ้มเขากําลังเห็นอะไรที่เราไม่เห็นแต่ยังมีชีวิตอยู่นะช่วงนั้นนะช่วงนั้นนะก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะวิญญาณยังไม่ออกนะยังสามารถรู้แล้วว่าจะตายแน่นอนก็ ย, ยังซับ <c oughs> โอกาสขนาดนี้แต่ถ้าหากว่าวิญญาณออกแล้ว มาเลมอยู غ غ ن ن د د ่กร غير นบีชายคําน si yani, ี u, ้เลยจนกระทั่งได้มีเสียงกรกรากรกรานี่เส ja ma, ok hey, ียงวิญญาณมันติดขัดอยู่ที่ลุกกระเดือกเนี่ยภาษาเราเียก็่ากรราม่เลมยู่ร غير เต้าบาตัวไม่ได้เนี่เทียบได้ไม่ใช่ว่าลงททษแล้วเนี่ยจะต้องบาดตัวมาจะไหมก็มีโอกาสในตลอดชีวิตเนี่ยให้ต้องบาดตัวทำไมไม่เต้องบาดตัวล่ะ มูริสมูริสโมเคย์มูริสคนนี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพคนนี้คนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสชาวคาทอลิกเรียนแพทย์เชี่ยวชาญด้านชนสูตรชนสูตรสท่านสนใจเรื่องบุรพาคดี ก็คือประวัติศาสตร์ของตะวันออกโดยเฉพาะโดยเฉพาะอารยธรรมของอิบถึงขนาดที่แกต้องไปเรียนภาษาหับสี่ปีจนชำนาญภาษาหรับไม่พอไปเรียนภาษาเฮโรกลิฟิกก็คือภาษาอีโบราณจนชำนาญ่ะเพราะแกสนใจเรื่องเดียวพิสูจน์ความจริงของคำพีแกไม่รู้ละ่ะจะเป็นคมภีตอนนี้ยังไม่ได้รับอิสลามนะ จะเป็นคัมภีร์ตวรรษอินยียนหรือลกุรอานพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์และการสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ของบรรดอิสราเอลเพราะมันอยู่ในคัมภีร์คัมภีร์เก่า old bible uh, old old book นี่ก็คือคัมภีร์เก่านี่ก็คือโตราหรือตวรรษนี่นะที่มีระบุบทอัลคุรุานนี่บทการออกจากอียิปต์ไปปาเลสไตน์นี่นะ เป็นเรื่องใหญ่มากเลยของของคริสเนี่ยเขาจะเขาจะถือเอาเป็นเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจมากเขาก็พยายามที่จะหาจุดที่จะพิสูจน์เนี่ยคำภีรเล่าเรื่องจริงแต่ตอนนั้นนาะยแกต้องการที่จะพิสูจน์พิสูจน์เรื่องเดียวว่าฟิเ่านที่ขับไล่ท่านนั บ, บีมูซานั้น ที่กลับไล่ท่านนาบีมูซาคือคนนี้หรือคนนี้มีสองคนคือเขาสนิฐานว่าคนนี้เรเมซิสก็คือคนพ่อที่ครองราชเจ็ดสิบปีนะแล้วคนนี้ลูกก็คืออเมทเตับอันนี้ครองราชสิบปี ไประเด็นอยู่ที่ว่าโมริสบุกายคนนี้นะเขาชนะสูตรสบได้มีโอกาสชนะสูตรสบทั้งสองพบว่าคนลูกนี่แหละที่มีสัญญาณที่ลงคอว่าเหมือนโดนน้ำโดนน้ำแล้วก็อาจสนิฐานว่าอาจจะเสียชีวิตเพราะ จมน้ําและมีแรงกระแทกที่ศีรษะละอกละหลังซึ่งสถานิฐานว่าเป็นแรงกระแทกของน้ําตอนจมน้ำถ้าในสถานิฐานของมูเิสนี่ก็แสดงว่าฟิร์อานเขาบอกว่าฟิร์อานของมูซานี่มีสองฟิร์อานฟิร์อานที่ค่มเหงบรรดอิสราเอลนี่นะอันนี้คือตัวพ่อข่มเหงจนตาย และคนนี้เนี่ยนะฟิราหคนนี้เนะี่ยที่ขุมเห็บนบรรด์อิสราเอลและที่ท่านนาบีมูซาต่อต้านและคนนี้และที่กล่าวว่าอันอับุกุมุลอาละคนนี้แหละที่มีรูปปั้นใหญ่ที่สุดที่อียิปแล้วก็ไปตั้งในอนุสาวรีย์ที่ใหญ่โตและพอย้ายแล้วนี่ยก็ทําเป็นโอโ้เนี่ยเ ป, เป็นเป็นฉลองยิ่งใหญ่เลยและถูกยกย่องในประเทศอียิปถึงขนาด ธนาบัตของเขาเนี่ก็จะมีรูปคนเนี่ยรูปปั้นของเขาอ่ะซึ่งคนนี้เนี่ยเขามีผลงานด้านสถาปัตยกรรมหลายหลายอาคารที่ประเทศอียิปต์ซึ่งมีมีความยิ่งใหญ่เช่นศาสนสถานอบูซิมเบลที่อยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะที่มีรูปปัน้นไอ้โวะเนี่ยแล้ววันเกิดของเขาเนี่ยแสงดวงอาทิตย์นี่นะวันเกิดของเขาเนี่แสงมันจะมามาโดนมาโดนหน้าเขาอ่ะ อันนคือคืออะไรที่มันยิ่งใหญ่ของไอ้ไอ้คนนี้แหละที่มันท้าทายมูซาแล้วก็บอกว่านั่นฉันนี่พระเจ้าของเจ้าที่ไงแต่พรากฏว่าพรากฏว่าไอ้คนนี้นะคมเหงียิวท้าทายในะมีมูซานะยิวทั่วโลกเนี่ยไม่มีอะไรกับเขาเลยนะ อยู่ทั่วโลกนี้ก็ไม่มีความรู้สึกอะไรกับกับคนนี้เนึ่ยวาเขาเคยฆ่าปู่ย่าตายายของเราเขาเคยข่มเหงบรรณุสรยนี่ไม่มีอะไรเมี้ยไม่นำซ้ำในยูนี้มันตอมันต้องคุยนะมุสลิมหรือาหรับได้อยู่ในประเทศอียิปต์นะในประเทศอียิปต์นี่ไม่มีอนรณุสรีมูซาแต่มีอนุสาวรีรามซิสไม่มีการภูมิใจในประวัติศาสตร์ของบรรดาอับีบลรัสูล โดยเฉพาะท่านน บ, บีมูซาที่เคยอาศัยในแผ่นดินอียิปต์แค่นี้เนี่ยก็น่าภูมิใจนะหงโหนน บ, บีมูซาเขาอยู่นะเทศนี้ก็ภูมิใจบ้างสิไม่ไม่ไมีพูดเลยนะแต่ภูมิใจเราเนี่เป็นลูกหลานฟาโรห์เราเราเป็นลูกหลานที่ภูมิใจนี่คืออาหรับและมุสลิมนะจนกระทั่งผู้นําศาสนาผู้นําศาสนา ล่าสุดนี้พอเปิดพิพิธภัณฑ์นี่นะมีเยาวชนคนหนึ่งก็ดูสถานการณ์แล้ว ก, ก็ไม่คือไม่โอเคอ่ะเยาวชนคนเยาวชนธรรมดานะไม่ยู่คนแข่งอะไรมากนะก็เห็นเช็คมุสตา ฟ, ฟ่าลฮดาวีเนี่ยติดคุกเพราะอะไรเพราะออกฟาตัวอาวาโอ้ทำพิพิธภัณฑ์แบบนี้เนี่ยมันสิ้นเปลืองมันไร้สาระมันเป็นพวกที่ต่อต้านพระเจ้าแล้วก็เราจะม า, มาอะไรกับเขาก็ติดคุกนะ ฉะนั้นที่ประเทอีทั้งหมดเนี่ยไม่มีผู้รู้สามารถที่จะพูดเลยวันนี้ผู้พวกคุณกำลังกลังเทิดเกียรติใครอ่คนที่ท้าทายพระเจ้าไม่อายกันบ้างหรือปรากฏว่าเยาวชนคนหนึ่งเขาก็เลยไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยแล้วไปไลฟ์อ่านอายะเกี่ยวกับนี่นกับฟิร์เอาและมูซาดิแล้วอ่านอ่านกูอ่านเอากุอ่านที่อัลลอฮ์ดาฟิ์งเอานีา่น AH นนะ มาอ่านในวิปัสสภันท์ี่มีต่รูปปั้นฟิดาอัลทั้งนั้นน่ะก็คอนเทนต์เขาท่านะเป็นคอนเทนต์ที่เขาท่าแต่ใครที่ไม่พอใจที่ไม่นิ่งอนะ่ะไม่ใช่ซีซีนะไม่ใช่นักการปกครองนะี่ไม่ใช่อะไรนะที่ไม่พอใจเนี่ยมุฟตีการไปอ่านกุตอ่านที่วิปัสสภันท์เนี่ยไม่เป็นการให้เกียรติคุตอ่านเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับการอ่านกุตอาน ยิ่งเลือกอายะเกี่ยวกับฟิรอาลและกับมูซานี่มันทำให้การใครควรในคุตอานเนี่ยมันไม่ถูกที่ถูกทางกระจกข้อไปหาดูว่าเยาวาชนคนนี้เนี่ยยังอยู่อีกไหม <c oughs> ก็เรียบร้อยแนละ้วครับรวบเรียบร้อยในขณะเดียวกันนะในขณะเดียวกันนะ ดาราที่ถูกเชิญมาจากทั่วโลกจะได้มาแสดงคอนเสิร์ต ท, ที่บิระมิดนี่ฉลองพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่นี่นะก็ถูกต้อนรับอย่างดีแต่อีคนที่อ่านพุทอ่านที่พิพิธภัณฑ์นี่นะถูกอุมไปศา ส, สนาของเราเนี่มันไม่ใช่ตัวลายลักณ์อักษรหรือเป็นอาคารหรือเป็นอะไรที่มันจับต้องได้มันคือคําสั่งสอนที่ต้องซึมซับมาอยู่ในวิญ ญ, ญาณและเกิดมาเป็นวิถีชีวิต ฟิราห์มันก็พูดเนีฟิราห์มันพูดแล้วเดี๋ยวจะปิดละว่อันเมีนักมุสลิมฟิราวนีบอกว่าฉันเนี่ยคือคนหนึ่งในหมู่ผู้นอบนะเป็นมุสลิมคนหนึ่งผมนี่เป็นมุสลิมนะอัลลอฮ์ก็เลบอกาัลานะแบนี้เหรตอนนี้ละเนี่ยที่เราเหตุผัว่าอัลละฮ์ให้แล้วอัลลอ์ให้โอกาสประวิงเวลามายาวนานแล้วอัลอานะวขดอัยตบนี้ร และแน่นอนเจ้าเป็นผู้ทรยอยุบก่อนหน้านี้มาแล้วฝากแค่นี้นะครับแล้วก็เดีท่วถ้ามีชีวิตอาทิตย์หน้าก็จะมาที่บายต่อครับบสซาลลุลลอฮุวาลลอฮ์นะบิบนาหมะมดุลลาลิอุญญาาสซาลลัมมีคําถามไหมครับผู้ที่อยู่ในนรกทุกคนนะคสุดท้ายแล้วเขาจะได้ข้าวสวัสดิ์กันผู้ที่อยู่ในรกทุกคนจะข้าสวัสด์ถ้าเป็นมุสลิมใช่ อยู่ล้านปีสองล้านปีอยู่ไม่นานหรอกสมล้านปีพันพันล้านปีแล้วต้องออกแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมมานะถ้าสะนะอุลมามะอัลซุนน์ัลจมามะเตืบทั้งหมดเลยมันก็อยู่ในรบกตลอดการมีแต่สนะหนึ่งของซหฮามะบังท่าน แล้วเวล า, าลราศนกษาบังทันในาสนับสนุนเขาบอกว่าอัลลอฮ์จะให้นรกเนี่ยสักวันหนึ่งจะไม่มีไฟไอ่ทีงว่าจะไม่เป็นสถานที่แห่งการเผาเผ า, ามนุษย์เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ในโรกนี้ก็จะอยู่ตลอดกาลนี่แหละแต่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกเผาไม่ไม่ไม่ถูกทรมาน ในไฟนรกเพราะไฟนรกเนี่ยมันจะไม่มีไฟแล้วเ็าอ้างฮะดีสบทหนึ่งจากบรรดา صحابة เนี่ยไม่ใช่จากนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลและเรื่องนี้อิหม่ามอิมรุตัยมีอัลเยมาอิลควยมได้พูดเหมือนกว่าจะสนับสนุนแต่อลมาหลายท่านเนี่ยเาบอกว่าอิหม่ามอิมุตัยมีกับอิลควยมแค่นำเสนอว่าเป็นทศน์หนึ่งในยุคสลักเนี่ยแล้วก็ ถูกต่อต้านไปแล้ว <c oughs> แล้วเอกฉันมติของอาลุซุนนาวัลจมาม่าว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิ ม, มเนี่ยก็จะอยู่ในฟใ น, นรกเนี่ยตลอดการในไฟนรกเนี่ยตลอดการถูกทรมานตลอดการในนั้นก็มีเชคอัลบานีเขามีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาขอบโตเรื่อง น, นี้กว่าคนที่มีความเหตุว่าว่ากัลบานีนะขอบโตคนที่เห็นว่า ไฟในรกสักวันหนึ่งมันจะไม่มีไฟแต่เพราะกฏว่าในประเทศเซาลี่ก็มีอัลมาคนหนึ่งขบุ้งเสียชีวิตไม่กี่วีเนี่ยเขาก็สนับสนุนทัศนานี้อแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่องที่ควรที่จะที่จะพราะบางคนนี่ก็เอาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเอาแบบเรื่องเป็นเรื่องโจมตีเรื่องใส่ใส่ร้ายกล่าวหาด้วยไม่ไม่ไม่ไม่ควรที่จะถึงขนาดนั้น น้องของามุมข่มีมีชื่อไหนบ้างที่ว่าเป็นชื่อที่มีในกุตานแล้วก็ะดีแล้วก็ชื่อไหนที่ว่าไม่มีไม่มีตัวต้นตระกูลของอัสบาตนี่นะในกุาัและฮะดีษ์ของท่านนบีไม่มีแต่มีนี่จากเตาร้อจากจากเรื่องเล่าของมนุษย์สนใหญ่มีมีทุกชื่อเลยทั้งสิบสองมีเลยมีบาง ตำราที่ระบุว่าหนึงใ น, นนันน้นนะหนึงน่งในสิบสองตระกูลเนี่ยเรียกว่าตระกูลฮารูนและเขาอ้างว่าชาวยูเนี่ยพอเห็นท่านหญิงมาริยมได้ขอดนบยอีมซาโดยไม่มีสามีเนี่ยเข้าบอกกับท่านหญิงมาริยมยนอัครฮารูนะมาการะบพ่อิมมาราโซอินว่มากานับอุ้มคิบักรี โอ้พี่น้องของฮารูนบางอุลมามะเนี่บอกว่าคือตระกูลของท่านหญิงมาริยมเนี่ยมาจากตระกูลฮารูนซึ่งเป็นตระกูลของสิบหนึ่งในสิบสองตระกูลเนี่ยที่มีชื่อเสียงในด้านความเฮงค่าเรื่องการทําไมบาะได้เรื่องความบริสุทธิ์ <c oughs> แต่มันไม่ได้เป็นการยืนยันในวันนี้คือต้นตระกูลจริงๆหัวตระกูลฮารูนหรือไม่ถึงการ น, นั่นก็ตามมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ คือถ้าอะไรที่กุรอ่านและฮะดิษไม่ได้เจาะจงไม่ได้ระบุเนี่ยเราก็เราก็ถือว่ามันไม่ใช่สาระที่ที่เออจะมีผลร้ายแรงถ้าเราไม่รู้แต่ไม่มีนะในคุร์รอานและฮะดิษไม่มีเจตีนะครับ وعلى آلي وصابي وسلو عليكم و ر ح م الله